จเจริญพรห ม, มิหารกันไปถึงไหนแล้วเนาะใครมีความทราบซึ่งในการจเจริญพรห ม, มิหารมันงคุณูชูเป็นไงจเจริญพรห ม, มิหารแต่มันไม่ต่เื่องรับแสดงว่าสปายะไม่ก็ได้เนาะ เจริญกรรมฐานนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้เจริญอย่างต่อนเนื่องกุศลธรรมก็เกิดค่อนข้างลําบากเหมือนกันคือกุศลธรรมนั้นถ้าเราสามารถเจริญได้ต่อนเนื่องระดับหนึ่งแล้วนะมันก็จะมีระดับทีนี้ถ้าเรารักษาระดับไม่ได้มันก็เสื่อมทีนี้ถ้าเสื่อมแล้วเวลาเราเจริญทีหลังเราก็จะมันจะคิดให้มันได้เท่าเดิมอะมันไปคิดถึงแถวเวทนาเก่าซะส่วนยยใหญ่นะมันก็เลยตอนหลังก็เลยเจริญยาก ก็คือหวังเอาผลแล้วว่าจะเอาต้องให้มันได้เหมือนวันก่อนน่ะมีได้โอ้บางวันนี่คิดให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยง่ายนะนเหมือนโดนปรีมใช่ป่ะเหมือนโดนปรีมเลยผ ม, มชอบไปปริมถ้าทิ้งไปนานๆแล้วไม่อยากจับกว่ามันจะสีเข้าที่นานเลใช้เวลาหน่อยใช้เวลาดนการจเจริญกุศลก็รักขนาดนั้นแล้ อ่าสังเกตจากหลายครั้งเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยว่าอ่าถ้าช่วงไหนเราเจริญกุศลกุศ ล, ลจิตได้เกิดต่อเนื่องแล้วนะเสร็จแล้วก็ไปทําอย่างอื่นซึ่งมันมีเหตุต้องไปทําอย่างอื่นน ะ, ะเวลามาเจริญวันหลังไม่เด็กเหมือนเดิมสักทีเลยนะบางทีเจริญไปก่อนละห้อยหาแต่ของเก่าที่เคยได้นะนี่วันก่อนเราสบายกว่า น, นี้นี่เจริญดีกว่า น, นี้วันนี้ทำไมไมันไม่ดีเท่าวันนั้นเลยนะคนํานึงถึงเวทนาที่เคยได้อนะเรียกว่าคํานึงถึงกุศล ที่เคยผ่านมาด้วยอํานาจของตัณหาฉนะนั้นคนที่เจริญเมตตาเป็นปกติอัธยาศัยส่วนหนึ่งก็ต้องเห็นโทษของโทสะเนี่ยนะเป็นเป็นหลักสําคัญที่สุดเลยว่าโทสักนั้นเกิดขึน้นนี่เกิดขึ้นนั้นนะก่อความเสียหายให้แกเราอย่างไรบ้างเนี่ยนะทั้งทรัพย์สินก่อนนะถ้าเสียหายแบบธรรมดาทั่วไปในอาศัยโทสักทาให้เสียหายทรัพย์สิน แล้วก็อาศัยโทสะอันนั้นทําให้เราใจเสียเนี่ยนะเสียอริยสัพเพงนั่นเองเสียอริยสัพย์เพราะโทสะนี่มากมายมหาศาลโกรธทีหนึ่งศรัทธาก็หมดทีหนึ่งโกรธทีหนึ่งสติก็ไม่มีแล้วโกรธทีหนึ่งปัญญาเป็นต้นก็ไม่เกิดโกรธแต่ละครั้งแต่ละครั้งอกุศลจิตเกิดขึ้นทําให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยแก่ชีวิตตั้งละอย่างด้วยกันเพราะอาศัยพื้นฐานมาจากโทสะ อาศัยพื้นฐานมาจากอากุศลธรรมเหล่านั้นเมื่อเห็นโทษของโทสะอย่างหนึ่งแล้วก็พิจารณาอนิสงของเมตตาใช่ไหมว่าเมตตานั้นมีอนิสงมากถ้าบุคคลสามารถที่จะเจริญให้สงบเนี่ยนะเป็นไปกับเมตตาจิตที่หวังประโยชน์เกื้อกูลแกสัตว์ทั้งหลายได้จริงๆนะก็มีผลมากกว่าถวายทานเป็นข้าวร้อยหม้อเนี่ยนะหม้อใหญ่ๆเนี่ยนะ การให้ทานถ้าหากว่าเราจเจริญเมตตาเป็นนั้นโดยผลของเมตตานั้นมากกว่ามากกว่าการให้ทานมากนะงั้นถ้าหากว่าเป็นเมตตาเนี่ยนะมันเป็นความสุดจริตทางใจจริงๆเลยที่หวังประโยชน์เกื้อกูลให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขแต่ถ้าหากว่าให้ทานนี้ถ้าตั้งเจตนาที่ไม่ค่อยดีบางทีก็ทานนั้นนั้นก็ เช่นตั้งความปรารถนาวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ให้ทานทานอนั้นก็นับว่าเศร้ามองพอสมควรใช่ไหมเพราะมีเจตนารมณ์ก่อนให้ก็อาจจะไม่สุดจิตใจนะหรือว่าหลังจากให้ไปแล้วก็รักษาใจค่อนข้างลำบาก <c oughs> แต่ถ้าเมตตาจิตที่เจริญด้วยความหวังประโยชน์เกื้อกูลจริงๆก็ตันหาและทิฐิก็ไม่อาศัยเยนะหวังประโยชน์หวังความสุขให้แกสัตว์ท้งหลายจริงๆ น, นะเมตสูตรบอกว่ามารดาธนอมบุตรคนเดียวเนี่ยนะที่เกิดในตนแม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันได้กุรบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ก็มีเม ต, ตา ม, มีในใจไม่มีประมาณเป็นในสัตว์ลักษณะนั้นแหละ น, นะซึ่งเอาลูกของเราเนี่ยนะเป็นพยานแห่งการเจริญเมตาก็ได้ถ้าตามนัยยะแห่งเมตสูตรหรือว่าเอาตัวเราเองนี่แหละเป็นพยานแห่งการเจริญเมตตา ว่าเราเกิดมาในโลกเราก็มาสแสวงหาความสุขเนาะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ทําไม่ให้ตัวเองเป็นสุขมากนะก็ด้วยอํานาจของโทสะนั่นแหละไม่รู้ว่าทําไปทํามาเนี่ยมาสแสวงหาแต่ความทุกข์นะอะไรอะไรมันก็ไม่ดีไปสักอย่างหนึ่งนะถ้าโทสะมันเกิดเนี่ยอาหารนี่เคยอร่อยอร่อยก็หมดอร่อยทันทีเลยนะเพราะว่าน้ําลายก็ไม่ค่อยออกเพราะอาหารท่รับประทานไม่อร่อยส่วนหนึ่งเพราะน้ําลายไม่ค่อยออก น้ำลายนะส่วนหนึ่งเป็นจิตต่ชรูปด้วยเมื่อน้ำลายเนี่ยเป็นจิตต่ชรูปถ้าสุขภาพจิตไม่ค่อยดีอาหารที่รับประทานเข้าไปมันก็ไม่ค่อยมีน้ำลายออกมาเมื่อน้ำลายไม่ค่อยออกเน้น้ำย่อยก็ไม่ค่อยดีละน้ำลายเนี่ยช่วยย่อยไปนั้งกต่ปากไปแล้วถ้าจิตเราไม่ค่อยดีเนี่ยนะจิตเหือดแห้งโอ้ยข่าวปลาที่เราบอกว่าอร่อยมากไม่อร่อยซากอย่างเลยนะเกลื่นไปเนี่ยใจเนี่เหือดแห้งไปหมดเลยนะ กันกิเลสสายโทสะนั้นเป็นกิเลสที่เหือดแห้งอะ่ะมันเผาไม่เกริมไปหมดเลยแล้วก็บริวารของโทสะไม่ใช่โกรธอย่างเดียวใช่ไหมออกมาในรูปแบบของความโทมนัสเวทนาก็เป็นเวทนาที่เป็นโทมนัโสโศกเศร้าเสียใจอุปาญาตคับแค้นใจว่างั้นทันมีทั้งความโศกมีทั้งความเศร้ามีทั้งความคับแค้นใจมีทั้งความพิไรรารพันพิลาบร่ําให้ออกมา เนี่ยนะสีหน้าท่าทางเป็นต้นเนี่ยโทสะเนี่ยเผาหมดเนี่ยนะาทีมันทำให้จุกคอไห่นั่นแหละข่าวก็กเกลืนไม่ค่อยลงหายใจก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันแล้วโทสะมันเกิดก็เผาบกุศ ล, ลธรรมต่างๆที่เคยได้ปัญญาที่เคยมีเมื่อก่อนเนี่ยฉลาดกว่านั้นตั้งเยอะโกรธมาทีสติปัญญาก็ทุรพลเหาวนกันทำถอนกาลังแห่งสติและปัญญา ันถ้าคนถ้าโกรธขึ้นมาแล้วในขณะนั้นเนี่ยนะตัญญาของเขาไม่รู้หายไปไหนหมดเคยมองเห็นอัดเคยมองเห็นทำเคยมองเห็นดีเห็นชั่วเห็นบุญเห็นบาปขณะที่โทสะเกิดขึ้นมาเนี่ยพลิกกลับไปหมดนี่มันจะบาปสักเท่าไหร่เชียวใช่ไหมเอาหน่อยนะน่าล้วอกุศลก็เกิดขึ้นแล้วโทสะเนี่ยนะสำคัญส่วนหนึ่งก็คือมันมี ม, นมีปัจจัยที่เป็นอธิบดีด้วยนะ ปัจจัยที่เป็นอธิบดีของโทสะส่วนหนึ่งก็คือฉันทะฉั้นคนนี่เวลาโกรธหรือเวลาไม่สบายใจเนี่ยจึงไอตัวฉันทะมันเกิดร่วมด้วยมันเต็มใจที่จะเป็นอย่างนั้นนะอมันเต็มใจที่จะเป็นในลักษณะนั้นนะแล้วะพยาวิตกม็จะหาอารมณ์ให้มันเป็นแบบนั้นหาเรื่องเศร้าๆแนวเดียวกันมาคิดให้มันเศร้าได้นานๆเพราะมันมีฉันทะเกิดร่วมด้วยมีฉันทะเป็นอธิบดีในขณะที่โทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะ รู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็คิดอยู่นั่นแหละด้วยอำ น, นาจแห่งชันทะและวิริยะเขาก็ก็ทํากิจของเขาแล้วใช่ไหมกล้าหน้าดูเลยนะกล้าที่จะโกรธต่อไปกล้าที่จะทําบาปกล้าที่จิตจะเป็นบาปต่อไปแล้วก็เจตสิกอื่นๆก็ทํากิจของเขาของเขาโดยเฉพาะโมจตุกะเนี่ยเกิดขึ้นนะโมหะเนี่ยเกิดขึ้นแล้วโกรธก็มามองไม่เห็นอริ ย, ยสัจสักอย่างเลยนะ ขณะที่มหากุศลจิตเกิดยังไม่ค่อยปรารบอรยศัสตร์เลยถ้าโทสะเกิดนี่จะเห็นสัจจะใดได้บ้างก็ไม่เห็นอันโมหะเจตสิกก็ทำจิตของเขาอุทจจะเจตสิกนี่ก็เริ่มฟุ้งฟ่านจิตใจก็ไม่สงบเยือกเ ย, อย็นเห็นไหนคนที่เจริญเมตตาก็เห็นโทษของโทสะมากๆก่อนอันดับแรกที่จริงแล้วเพศภัยในโลกนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะเกิดขึ้นเพราะคนพานนะาบงั้น ความเสียหายแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเนะี่ยเพราะอาศัยคนพาลแต่ถามว่าทําไมเขาจึงพาลเพราะคนพาล น, นั้นประกอบไปด้วยกายสุจริตกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตไอ้เฉพาะมโนทุจริตคือพยาบาทเนี่ยนะพยาปาทะตัวนั้นเนี่ยอ่ามันพาให้ผิดธรรมอย่างอื่นไปด้วยเนี่ยนะก็เหมือนกับคนที่ผูกพยาบาทใครไว้สักคนหนึ่งเนี่ยนะ เสร็จแล้วก็หาเรื่องที่จะตามจองล้างจองพลานผูกเวรเนี่ยนะผูกเวรบางคนก็ผูกเวรเนี่ยข้ามหลายพบหลายชาติเลยนะ mm hmm. พระเทวทัพเนี่ยด้วยอํานาจแรงที่ผูกเวรต่อพระโพธิสัตว์เนี่ยนะ mm hmm. เจอกันชาติใดต้องหาเรื่องให้ได้นะ mm hmm. เห็นแล้วไม่รู้ยังไงมันไม่ถูกโฉลกไม่ถูกแะตามไม่ถูกไปทุกเรื่องอะ mm ่ะ hmm. คือถ้าหากว่าทําให้คนนี้เขาทุกได้ไม่มันมีความสุขจริงๆโ mm hmm. ยมเขาเล่ายมคนหนึ่งเขาเล่าว่าเขาเนี่ย ไม่ชอบใจคนคนหนึ่งเขาบอกว่าวันไหนที่เขาทําความเสียหายให้กับศัตรูเขาเนี่ยนะเขามีความสุขจริงๆว่ า, างเงนมันสะใจเขามากเลยนะยิ้มยังมีความสุขว่างเงินยิ้มแบบคนมีชัยว่างเงนเนี่ยนะนั้นโทสะเกินจะเป็นลักษณะนั้นก่อความเสียหายต่างๆความเป็นพาลอย่างอื่นก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นอบายทุคติวินิบาศก็เป็นที่เป็นที่ไปในเบื้องหน้าของของคนพาล ว่าโทษอันนั้นทั้งหมดก็เกิดจากโทสักแล้วก็ต้องเห็นอั น, นิี้สองของขันติเนี่ยน ะ, ะถามว่าเห็นอั น, นิี้สองอย่างไรก็คนที่กโกรธคนที่ไม่กโกรธเนี่ยนะเคยได้ยินนะอั น, นิี้สองกี่อย่างนะความไม่กโกรธเนี่ยอันนยงอันนสงสิบเอประการนะที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูความพิสูจนทั้งหลายเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติพิกษุนเสพโดยเอื้อเฟื้อแล้วเนี่ยทำเมตตาคือเสพนะให้ อโทสเจตสิกเกิดขึ้นในจิตแล้วเนี่ยให้มันเกิดได้บ่อยๆชวนะเนี่ยเป็นไปกับเมตตา ม, มากๆบ่อยๆเนี่ยอ บ, บรมแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วก็บอกว่าทำว่าเป็นดุจยานก็คือทำให้คล่องเนี่ยนะเคยเห็นคนขับรถเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะเขาอุปมาคนขับรถม้าเนี่ยนะที่ชำนาญในการขับเนี่ยจะตะบึงเอาห่อไปทิศไหนก็ สบายๆประกันสมัยนี้คนชำนาญในการใช้รถเนี่ยไม่แน่นักที่เบรกอี๊ดเมื่อกี้วะเมื่อกี้ชำนาญมากนั่งขับเร็วหน้าดูเลยโยมคนหนึ่งเบรกอี <S <S ๊ดด<บ>ังนะชำนาญหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่ชำนาญ น, นี่แย่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าทําให้เป็นดุจยานทําให้ชำนาญทําให้คล่องแคล่วแล้วก็ทําให้เป็นประดุดวัตถุคือเป็นที่ตั้งอ่ะนะ ตั้งมั่นได้แล้วสังสมแล้วปรารภดีแล้วพึงหวังอ น, นิสงส์11ประการได้นะถ้าสามารถทำให้เมตตาเกิดขึ้นได้อ น, นิสงส์ส1อย่างเนี่ยสบายๆเลยนะดูในหน้า19เกนี่ยจะมีอ น, นิสงส์บออย่างนะก็คือนอนก็เป็นสุขนะนะใครที่นอนไม่เป็นสุขเนี่ยแสดงว่าเมตตาขาดนะขาดแคลนเมตตาเลยเกินในนอนไม่เป็นสุขนะน ะ, ะตื่นก็เป็นสุข ใครที่ตื่นและเป็นทุกแสดงว่าขาดแคลนเมตตาไม่ฝันเห็นสิ่งชั่วร้ายนะเรียกว่าไม่ฝันร้ายเหงือนกันนะข้อต่อไปก็บอกเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเอ้าไหยคนหน้าตายิ้มแย้ม แ, มแจ่มใสเนี่ยใครจะไม่ชอบนะคนที่หน้าโบดหน้าบึ่งพูดทีเนี่ยคือถ้าโทรศัพท์มันเกิดแล้วมันไม่ได้อยู่แค่หน้าอย่างเนี้ยใช่ไหมปากแต่ละคำํำก็หนั ก, กเกินเลยนะเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รักเหมงอนกน อ่เป็นที่รักของอามนุษย์ทั้งหลายานะอามนุษย์นี่ก็คือคือใครไม่ใช่มนุษย์อย่งนั้นเนด้อเดราชานก็อามนุษย์เหมือนกันนะคนมีเมตตาเนี่ยสัตว์รักนะเน็นไหมหมาก็รักเออบางบ้านบ้าน บ, บ, บางคนเนี่ยหมามาต้อนรับเลยนะบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยหมาเห็นหมายังกลัวเลย ก็บอกว่ารังสีอมมหิตมองตามหมาเนี่ยหมาเนี่ยต้องหลบตาเพราะงั้นไงกลัวโธสังแรงขนาดนั้นมันก็เป็นที่รักของอ ม, มนุษย์ทั้งหลายคืออ ม, มนุษย์นั้นไม่ใช่มนุษย์เนี่ยนะนับตั้งแต่พวกผีก็ได้พวกเปรตพวกอะไรเป็นต้นก็เขาก็เมตตาเนี่ยนะถ้าเราเป็นคนใจดีจริงๆคนดีอ่ะนะเรียกว่าวคนดีผีคุ้มครองอย่างนั้นเถอะแล้วก็ข้อต่อไปก็เทวดารักษาเทวดารักขันติ เหล่าเทวดาทั้งหลายก็จะดูแลปกป้องคุ้มครองอเหมือนกับที่พระองค์ตรัสไว้ในเมตสูตชไหมเมื่อหมู่มนุษย์ผู้มีใจดีนะทําบุญทำเพลีอุทิศส่วนกุศลไปให้เหล่าเทวดาเพราะฉะนั้นขอให้เทวดาเหล่านั้นเนี่ยระลึกนึกถึงคุณของมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ช่วยดูแลปกปักรักษามนุษย์รักษามนุษย์หมายถึงสัพเพหิภูตานิสาเมธานิสาเมธะ ตัสมะหิเนรคธาอปปมา ต, ตาว่างันจงช่วยดูแลรักษาปกป้องมนุษย์เนี่ยนะอย่าได้อย่าได้ประมาทในการช่วยดูแลคุ้มครองอันถ้าหากว่าเรามีเมตตาต่อศักด์ทั้งหลายแล้วเนี่ยเวลาทำกุศลเป็นต้นเราก็จะระลึกนึกถึงเทวดาอันคนที่มีเมตตาเนี่ยนะทานก็ให้ง่ายนะบอกว่าบารมีทั้งสิบประการเนี่ยนะเมตตาเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นผู้บุพภาของสิ่งเหล่านั้นเลย มันก <de leg ante> ่อนอ่านอ่านเรืだだ่องปฏิสนธิของพระโพธิส <t Bus y> ัตว์บ้างนพระโพธิสัตว์ในชาติสุดท้ายเนี่ยปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงที่หนึ่งปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงที่หนึ่งก็บอกว่าผู้ที่ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงที่หนึ่งสามารถอยู่ได้หนึ่งอสงไขยหนึ่งอสงไข่เนี่ยยาวมากคือสามารถมีอายุเกินแสนปีได้พื้นฐานของมหาวิบากนะแต่ถามว่าทำไมจึงอายุสั้น เาอุตุและโภชนะนะอาหารกับอากาศเป็นเครื่องบันทอนชีวิตของมนุษย์เหนั้นที่จริงมนุษย์เนี่ยสามารถมีอายุได้ยาวมากเลยนะมนุษย์ในประถมมากับเนี่ยอายุยาวจริงๆนะคือพื้นฐานของมหาวิบากที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถเกิดได้ยาวมากแต่ที่สั้นเพราะอุตุและโภชนะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวปลาอาหารก็ไม่จุศไม่เจริญงอกงามเต็มที่ สังเกตดูท่านบอกว่าเมื่อพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมผู้นำไม่ตั้งอยู่ในธรรมเขาบอกว่าพวกอัมมัดทั้งหลายแหละอัมมัดขราชการทั้งหลายทั้งหมดก็เริ่มไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อบุคคลเหล่านี้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพวกเทวดาก็ชักเดือดร้อนนนะมนุษย์เริ่มทะเลาะเบาแวงกันเป็นต้นเทวดาทั้งหลายก็ไม่ค่อยดูแลบกปักรักษา พลันแรงกิเลส ข, ของมนุษย์ทําให้ลมเปลี่ยนทิศได้นะทําให้ลมเนี่ยเปลี่ยนทิศได้หมดเลยด้วยอํานาจของจิตที่เป็นบาปมันเมื่อลมเปลี่ยนทิศกระเทือนถึงวิมานของเทวดาด้วยเพราะว่าเทวดาบางพวกเนี่ยเขาเรียกว่าอากาศสเทวดาภุมุมานังเทวานังสัตว์ทางสุตวามีเทวดาชั้นภุมธเทพชั้นอากาศเทวดาและสวรรค์ชั้นจาตุ่มเป็นต้นมันก็จะเดือดร้อนไปจนทั่วทุกหนทุกแห่งเมือม่อมนุษย์ทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรม พวกเทวดาที่มีบุญก็ตายแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามนุษย์ตายแล้วก็มีแต่จะไปอบายการสร้อใหญ่อันเทวดาก็ไม่เล่นสาธุกีฬามั้นไม่สนุกไม่สนานไม่คลื่นเครงหมดเหี่ยวเฉาไปหมดก็พาอย่างอื่นเดือดร้อนฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวก็ไม่สุกเต็มที่ข้าวนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆทุกวันนี้นะ ท, ท, ที่แถวบ้านนี่เห็นเลยเวลาเกี่ยวข้าวส่วนหนึ่งนี่สุก ข, ข้าวส่วนหนึ่งนี่ไม่สุก ในในในกอเดียวกันเนี่ห้าห้าต้นเนี่ยจะสุกอีกต้นหนึ่งไม่สุกก็จะตั้งโดกําลังกําลังออกช่อเพราะฉะนั้นก็ต้องเกี่ยวที่สุกก่อนแล้ววันหลังค่อยมาเกี่ยวแต่ถ้าเกี่ยวพร้อมกันเนี่ยถ้าข้าวไม่สุกดีเนี่ยเอาไปตากมันก็แห้งทีนี้ข้าวอันนั้นก็ไม่มีคุณภาพดงนั้นในข้าวหม้อเดียวกันเนี่ยบางส่วนหุงแล้วสุกบางส่วนหุงแล้วไม่สุกเนี่ยนะพวก ว, วิตามินเป็นต้นก็อ่อนละ เพราะฉะนั้นสุขภาพก็ไม่ดีเมื่อสุขภาพไม่ดีก็พายอย่างอื่นวิบัติไปด้วยละสุขภาพไม่ดีอายุก็สั้นอากาศก็ไม่ดีเสียหายไปตามนั้นไปเรื่อยๆมนุษย์ก็อายุสั้นแต่ถ้าหากว่าอุตุและโภชนะที่ดีมนุษย์สามารถอายุยาวได้เป็นอสงไขปีอย่างที่ว่าไปสงไขปีก็คาว่าอางไขเนี่ยนะแปลว่านับไม่ได้ก็ตัวเลขเลขศูนย์ประมาณร้อยสี่สิบตัว อันแสดงว่าอายุจะยืนยาวได้ขนาดนั้นเออเป็นเรื่องที่แปลกนะที่ในในโลกปัจจุบันนี้ผู้ที่มีอายุยืนยาวมากๆนะเป็นพวกชาวเขาไม่ใช่ชาวเขาแต่เป็นคนที่อาศัยอยู่บนที่สูงอากาศก็ดีแล้วเขาไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์มากนะอย่า ง, งดีก็นมเนยนะอากาศก็ดีแล้วก็อาหารเขาก็เป็นอาหารธรรมชาติ คนที่อายุเกินร้อยนี่เป็นของธรรมดาธรรมดาของเขโดยมากร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบปัจจุบันนี้ครับทําไมถึงพระพุทธศาสนา จ, จึงได้พูดตรงเป๊ะเลยนะว่า<ะ>อยู่ที่อากาศอากาศกับอาหารกับอาหารแค่หยับหยาบแค่นี้ยังมีผลขนาดนั้นเลยต่อมีผลต่อการ<น>เป็นอยู่ของอายุมากอย่างโรคภัยไข้เจ็บนี้ตามประวัติในพรบางสูตรเนี่ย โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเกิดจากการฆ่าสัตว์ของมนุษย์นะที่แรกแล้วมนุษย์อายุยืนในสมัยพระเจ้าโกโกาการาชเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บไม่เกิดขึ้นแต่พอมนุษย์เริ่มทําปาณาติบาตโรคมันจะเริ่มระบาดหมดละโรคระบาดเนี่ยโรคเริ่มมีตั้งแต่สมัยนั้นลงมาก่อนหน้านั้นเขามีโรคอยู่สามอย่างโรคจากกินไม่อยากกินกับโรคชาราเท่านั้นเองปวดหัวตัวร้อนอย่างอื่นไม่มีสักอย่างนะเพราะ เขาไม่ได้ทําปาณาติบาตรั้นการทําปาณาติบาตเนี่ยเป็นเหตุแห่งโครคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นด้วยอีกมากมายเนี่ยนะคือพาให้คนอื่นเนี่ยที่เกิดมาหลังๆเนี่ยวิบัติตามไปด้วยนะแล้วก็ส่วนตัวของคนที่ทําเหตุไว้นี่ก็ไปไม่ดีแต่และแล้วก็ฝากฝังตราบาปอั น, นั้นไว้ให้คนอื่นรับช่วงทอดคือคนเนี่ยถ้าคนบาปสักคนหนึ่งเนี่ยนะเวลาเขาจากไปเนี่ยเขาไม่ได้จากไปแต่ตัวแต่เขาทิ้งอุปนิสัย ทิ้งความไม่ดีให้บางคนเนี่ยนึกเยีะเอาเยี่ยงอย่างเลยนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่เจริญเมตตามากๆเหล่าเทวดาเป็นต้นก็จะดูแลรักษาันชีวิตของเรานะที่เราอยู่เป็นสุขทุกวันเนี่ยนะคนรักษาเราเยอะนะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้เห็นไหมคนที่คิดหวังประโยชน์เกื้อกูลเราก็ไม่ใช่น้อยๆเลยน ะ, ะยกตัวอย่างในข้าราชการบางกลุ่มเนี่ยดูแลสุขทุกข์ของประชาชนเลยนะ เขาดูแลบ้านโน้นอยู่เป็นสุขบ้านโน้นอยู่เป็นทุกข์นะบ้านใดเบื้องในที่มีความทุกข์มากพวกเรานี่นอนไม่ค่อยหลับแล้วเดือดร้อนนะก็ต้องคอยดูแลปกปักรักษามนุษย์ทั่วไปนะนะเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลปกปักรักษาเราโดยที่เขาไม่บอกเราเนี่ยไม่ใช่น้อ ย, อยเลยนะไม่จําเพาะแต่คนรอบข้างเราหรือคนอื่นๆอีกเนี่ยนะที่เขาหวังว่าเอ๊ะเขาจะทํำยังไงให้หมู่มนุษย์ได้รับความสุขเนี่ยโครงขาน ความคิดแบบนั้นเขาก็มีตั้งเยอะแยะกันเนี่ยนะคนที่มีความคิดในแนวนั้นก็เยอะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีเมตตามากๆนนะคนอื่นก็จะคิดปกปักรักษาคนอื่นก็จะคิดดูแลต่อไปไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีย่อมไม่กล้ามกลายเธอนะถ้ามีเมตานี่ก็ถ้ามีเมตตาจนได้ระดับชานไฟก็ไม่ไหมและคนที่มีเมตตาจิตตั้งมั่นได้เร็วสงบง่า ย, ย่างนั้นเถอะ แล้วก็สีหน้าก็ผ่องใสนี่นะหน้าใสด้วยนะมีเมตตาเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ไม่ลุ่มหลงคํากาลกิริยาเวลาตายก็ไม่หลงตายนี่นะคือมีสติรู้ตัวรู้ตัวนี่รู้ว่าจะต้องตายหรือเปล่ามีสตินี่รู้ตัวว่าจะต้องตายชื่อว่ามีสติไหมรู้ว่าครั้งนี้เนี่ยเราไม่รอดแน่ตายแน่นอนเลยอย่างนี้ชื่อว่ามีสติไหม ม, มีไหม อาสติเป็นไปกับทานมีไม่ขนาดนั้นนะรู้ว่าจะตายนี่ทานนะกุศล ส, สีและกุศลไม่ใช่มรณะสติบางทีตายแน่งานนี่เสียใจเลยทุกอย่างเดียวไปดีหรือเปล่าเนอะคือว่ารู้จะต้องตายเฉยๆเนี่ยไม่ได้เป็นสติเสมอไปหรอกเนไเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่ารู้ว่าจะต้องตายแล้วไม่ได้ปารบจิตเป็นไปกับกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่สติ อย่าลืมว่าสติเหมือนกับขุนคลังใช่ไหมที่มาคอยเตือนรับเตือนเช้าเตือนเย็นนะเออท่านมีรัพย์เท่านี้นะถ้ามีสติขณะใกล้จะตายเป็นทรัพย์ข้อไหนอันนี้หรือว่านี่รู้ว่าจะตายแล้วก็ใจดีแน่งานนี้เลยนะยนบุญเราทํามาเยอะจะไปกลัวอะไรกับแค่ตายใช่ไหมมีบุญตัวอย่างมาเปลี่ยนวัตถุเปลี่ยนอารมณ์เท่านั้นเองสบายแน่คนมีบุญนะนั่นเรียกว่าไม่หลงทํากาละกิริยาของมัน <c oughs> บุญเยอะ แต่ถ้าคนไม่มีบุญเนี่ยจะไปแล้วเหรอย่างเนี้ยเดือดร้อนนะ่ะก็เหมือนกับคนไม่มีสเสบียงทางแล้วจะเดินทางอีกแล้วใช่ไหมไม่มีสเสบียงทางอะไรสักอย่างเลยนะที่ไปข้างหน้ารู้ว่ากันดานแน่เดือดร้อนแน่มันเวลาข่าวว่าจะต้องเดินทางเนี่ยวันนั้นอ่ะคือวันที่เขาทุกข์ที่สุดเหมือนกอ่าถ้าคนมีบุญนเนี่ยเขาก็สบายแล้วก็เหมือนคนมีทรัพย์เนี่ยนะถ้าปารบการเดินทางเมื่อไหร่เขาก็สบายสบายเนี่ยนะใช้เฉยเหมืันกนเถอะ ธรรมดาใช่เพื่อไปยังไงเราก็ไม่เดือดร้อนไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวได้ด้วยสบายเลยนอนอยู่บ้านกับ น, นอนที่อื่นเนี่ยก็นอนที่อื่นบางทีก็สบายกว่าอะไรกว่าบางทีใช่ไหมอากาศก็ดีอาหารก็ดีลีกเลี่ยงการจาเจเป็นต้นอันนี้สำหรับคนมีทรัพย์นะจะไปที่ไหนก็สบายคิดว่าคนมีบุญว่างั้นคนไม่มีบุญเนี่ยจะเดินทางออกนอกบ้านทีนึงโอ้ไปยังไงเนี่ยขึ้นรถลงเรือยังไงเนี่ย ไปกินที่ไหนนะมันก็คิดมันมีแต่ทุกข์ไปข้างหน้าหมดอนะนนึกแล้วก็หาความสุขไม่เจออาการที่ปฏิสนธิหรือการพบการเกิดในพบต่อๆไปก็ลักษณะนั้นแหละังนั้นคนที่ไม่มีบุญเนี่ยนะหาความสุขค่อนข้างยากนะในชีวิตเนี่ยยิ่งตราบทถึงความตายเมื่อไรความทุกข์ของเขาก็จะเบียดเบียนกลุ้มรุมจิตมากมายขนาดนั้นบอกโทุกข์แน่แย่แน่คน่มีตังหาที่นอนวัดครับ อวัดเนี่ยไม่ต้องถามคุณค <น S 1> มุนชูนะคนมีบุญก็ น, นอนโรงแรมใหญ่เออนอนวัดเนี่ยต้องถามคุณมุนชูถามเฉพาะตัวนะถามกลางวงไ ม, ไ, ไม่ได้ของอามานี่ไม่แน่ใจว่าจะขอได้หรือเปล่านี่ยั ง, งงงงงบอาในวัดก็ต้องรูว่าวัดไหนได้ยต่อไปนะเขาบอกว่าเมื่อไม่รู้แจ้งธรรมะที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเข้าถึงพรหมโลก ถ้าหากว่าไม่ ไ, มได้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะก็สามารถที่จะเข้าถึงพรหมโลกได้ <S <S อันนี้ก็คืออันนี้ส ง, งสงของเมตตาถ้าหากว่าเราเห็นอันนี้สงทั้งสิบอประการ น, นี้แล้วเราก็สามารถที่จ ะ, จะเจริญเมตตาได้เนี่ยนะให้เห็นโทษของโทสะก็เห็นอันนี้สงของเมตตาแต่ถ้าเห็นอันนี้สงของเมตตาก็แปลว่าเห็นโทษของโทสะเนี่ยนะเพราะว่าคนที่ไม่มีโทสะเนี่ยนะไม่มีความโกรธ ก็คือเป็นคนที่มีความสุดจริตทางใจอย่างบริบูรณ์นะคนที่มีความสุดจริตทางใจที่บริบูรณ์ไม่มีความโกรธเป็นต้นเนี่ยนะปรา ร, รบวิปัสสนาก็ง่ายเพราะจิตที่ไม่เป็นโทสะนั่นแหละเป็นสมถะนะอะโทสะเนี่ยเป็นกรรมฐานประเภทพรหมหานภาวนาถ้าใครสามารถพอกพูนจิตให้เป็นกุศลได้ต่อเนื่อง บ่อยๆเป็นปกติเลยเนี่ยนะตั้งแต่เช้าจดเย็นได้เนี่ยคนเหล่านั้นก็สา ม, มารถที่จะเจริญกรรมฐานไม่ยากนะเนี่ยนะเพราะมนุษย์เนี่ยนะที่ที่มีสติปัญญาจำอะไรไม่ค่อยได้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากบาปอากุศลด้วยนะเกิดจากไอ้โทสะเป็นต้นเนี่ยนะคืออกุศล น, นั้นเวลาเขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาทากิจคือมีโทษให้ผลเป็นความทุกข์ด้วยในะยะหนึ่งแล้วอีกในหนึ่งเนี่ยเขาไปบันทอนมหากุศลด้วยนะ สมมติถ้าเราโทสะอยู่ดีๆแล้วเนี่ยจะไปเป็นเมตตาสลับง่ายไม่ได้เพราะเวทนาที่เป็นโทสะจะใ ก, กล้เวทนาที่เป็นโทสะอันเวทนาก็จะใกล้ๆ ก, กันก็จะเกิดแต่เวทนาที่เป็นโทสะกับเวทนาที่เป็นกุศลมันไกลกันเมื่อมันไกลกันเนี่ยจากโทสะไปเป็นมหากุศลอีกครั้งเนี่ยยันนอนเนี่ยนะมันแทบจะลืมอารมณ์ที่เป็นปัจจัยให้เวทนาแบบนั้นเกิดนั่นแหละจึงสา ม, มารถที่จะเจริญกุศลได้นี่ยนะ เพราะว่าอกุศลเวทนาจะใกล้ต่ออกุศลเวทนาแต่ยิ่งโทสะแรงๆเนี่ยจะใกล้ต่อโทสะแรงๆจะไกลจากมหากุศลที่ปณิดปณิดเพราะว่ามหากุศลเนี่ยปนิดระดับสูงเนี่ยระดับไหนมหากุศลเนี่ยนะถ้าโดยญาณเข้าเป็นได้ถึงระดับโคตรภูญานเห็นไเป็นได้โ like คตรภูญานเขามีนิพานเป็นอารมณ์ได้มหากุศลนั้นเป็นมหาเป็นปัจเจเวคขณะยานก็ได้และมหากุศนเป็น สมาธิเนี่ยระดับอุปจารสมาธิเนี่ยนะเขาปณิทมากนะหมหากุศลเนี่ยไม่ไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้น เ, เวทนาที่เป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยมันไกลกันเพราะอากุศลนั่นแหละเป็นตัวบรรทรเป็นตัวที่ไปทําลายให้โทสะเนี่ยทำลายหมหากุศลให้หมหากุศลเนี่ยอ่อนกําลังลงดังนั้นต้องพยายามที่จะเห็นอนิสงส์ของความไม่โกรธ เห็นอันนี้สองของเมตตาเมื่อเห็นอันนี้สองของเมตตก็เริ่มเจริญเมตตาภาวนาชั้นต้นเลยก็คือเจริญให้ให้เราก่อนนะเออวันนี้ใครคิดให้ตัวเองมีความสุขบ้างตั้งแต่เช้ามาเออเนะขอให้พระสมบัติมีความสุขนะมีบ่าไม่รู้เออมากันนึกไม่ออกกันแสดงว่าไม่มีเลยแล้เมื่อคือนมีหน่อยตอนเช้าวัวนตั้งแต่วันนี้มานึกไม่ออกเลยคิดได้อย่างนี้หรือเปล่าเมตตาอย่างนึกให้ตัวเองยังไม่ค่อยมีแล้วคนอื่นล่ะ ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะนะตื่นเช้ามาก็เออคุณลุ่งแอบเจริญเลนะขอให้คุณลุ่งมีความสุขนะ น, นะนะอย่าได้มีเวรมีภัยกับใครๆเลยเอกันอย่าได้ไปมีจิตเป็นเวรเป็นอกุศลกับใครๆครเลยมีความสุขความเจริญนะเรียนธรรมะก็แจม่มแจ้งศึกษาอะไรก็คล่องแคล่วราบเรื่อนไปหมดความสุขนะ ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เข้าใจเอาเข้าใจเอาอางนั้นปัญญาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยอย่างน้นะขอให้มีความสุขความเจริญอย่างนั้นอย่าได้ปวดหัวตัวร้อนอย่าได้เป็นไข้เป็นวัดอะไรเงนี้นก็ว่าไปเคยหรือเปล่านะอ๋อเคยแต่พ ย, ยันชนะเอาได้นะแที่จริงแค่แค่ <c oughs> เราเราตรึกนะเราแค่เราตรึกเราท่องนี่นะฮะแล้วก็มีอารมณ์ที่ปรากฏจริงๆมีสัต เอาเอาเราก่อนนะมีสัตว์อารมณ์นีมีสัตว์เป็นอารมณ์จริงๆเนี่ยนเะ <c oughs> ช่นเช่นขับรถขับลาไปนี่นะถ้าเราตึกกับไม่ตึกนี่ผิดกันมากเลยนะถ้าเราตึกนี่นะเออขับรถดีๆหน่อยนะระวังหน่อยนะเราเองนี่พยายามขับมาเราก็ระวังไม่ให้ไปโดนเขาด้วยนะแล้วผิดกับที่เราไม่ได้คิดนะครับเ <c oughs> จนทานแล้วถ้าเราคิดนะขับรถดีๆหน่อยนะอย่ารีบรีบก็มึงรีบไปไหนอย่างดีๆระวังอันตรายนะลองท่องดูนะครับว่าผิดกันมากเลย กับที่เราเฉยๆเจริญทั้งทั้งที่แค่ท่องนะ<ช>ฮะแปลจริงๆเอาวันหลังเนี่ยนะตั้งเลยอวันนี้ขอให้เจริญธรรมะดีๆนะมานั่งเรียนธรรมะก็ให้เข้าใจมากๆนะอย่างเงี้ยคิดในตัวเองอย่างนั้นละ <S <S ่ะพอมาต่อไปนี่ก็ต้องคิดอย่างงี้บ้นนางเนาะอวันนี้ท่านจะบรรยายธรรมขอให้บรรยายดีๆนะขอให้พยายามบรรยายตามคําสอนเนอเหมือนกันท่านนี้เป็นกรรมของท่านนะมันท่านพยายามทําเหตุแห่งความสุขเอากันแล้วกันอย่างเง้ยเจริญให้ตัวเองก่อนใช่ไหม เสร็จแล้ว เ, เรานี่ก็อยากเจริญนะคนอื่นก็อยากเจริญเหมือนกันใช่ไหมเรานี่มาบรรยายธรรมก็อยากจะมีความสุขความเจริญกับเขาเอาคนอื่นมาฟังก็แสดงว่าอยากจะมีความสุขความเจริญด้วยแล้วก็คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะน่าจะคิดได้นะเดูบนก็ไม่ะยกแต่ว่าไม่ค่อยเออยอะนแปลกเนี่ยบนนี่ไม่ต้องเสียตะตงังเลยน่าจะทําได้ง่ายนะแต่แม่มันไม่ได้เสียร้อยบาทก็ได้แต่ว่าอมีใจทําไม่ได้ไงทาอย่างกันนะ นั่และแต่ผู้การนี่แต่บายแล้วตอนหลังมาขึ้นรถไหว้เลย อ, อยกมือไหว้ก่อไหว้อะไรไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะเป็นกุศลเอ่อสมาทานเมตตาแลาาา้วเหมนกัแต่ว่าเวลาอะไรเกิดขึ้นดูก็ <c oughs> ไม่ค่อยหวนไว้อะไรก็เฉยเฉยอย่างนั้นนะเออวันนี้ก็บอกอขอให้คนเมื่อกี้เนี่ยนะที่เบรกดังเอี๊ยดเนี่ยนะมีความสุขมีอายุยืนต่อไปกันแล้วกันมีความสุขความเจริญนะหมอรถใหม่ด้วยนะ ไปเสียหายเข่าออลําบากเหมือนกันนะเป็นสุขนะเจริญเมตตา เ, เราเราเป็นสุขด้วยเราก็เป็นสุขพก็เมตตานี่เวทนาสองนะโสมนัสกับอุเบกขาถึงถึงการเจริญเมตตาของเราเป็นอุเบกขานะแต่เป็นอุเบกขาที่มีมุทุตาด้วยนะจิตก็เบาเนี่ยนะจิตก็ อ, อ่อนมุทุตากรรมัญตาปาคุณญญตาละหูตาอุชชกตาหดีทั้งนั้นเลยนะ ถ้าคิดอย่างนี้ได้บ่อยๆเนี่ก็เออชักดีแล้วนะสมมติถ้าเราต้องขับรถหนึ่งชั่วโมงแล้วคิดอย่างนี้ตั้งชั่วโมงหนึ่งโอ้บุญเนื้อๆเลยนะตั้งชั่วโมงหนึ่งถ้าเกิดอย่างนี้บ่อยๆนี่เลือกเกิดได้นะจะไปเกิดสวรรค์ชั้นไหนอะ่ะเทวดาภูมิไหนเขาก็อยากรองรับเราอ่ะนะเพราะเรามีเมตตาเนี่ใช่ไหมยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เป็นเทวดาขี้โกรธเนี่ยเทวดาชั้นไหนก็ไม่อยากรับเราไปเดี๋ยวมีมานทองเองเข้าเคลื่อนหมด น, นะ ชั้นต้นเลยก็คือเมตตาให้ตัวเองก่อนเนี่ยคําเจริญเมตตก็คือส่วนใหญ่ก็คือหนึ่งหลักๆเนี่ยนะปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขอังสุกิโตโหมิอะไรเงี้นสมมณเณรเขาพูดเรื่อยๆนะฮังสุกิโตโหมิควายกับพระเจ้ามีความสุขนะสุขยังไงบ้างอ่ะเราอยากได้ความสุขอะไรบ้างลองมาไล่ทบทบทวนดูนะอสุขชาตินี้เราก็อยากสุขสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการใช้ทรัพย์สุขที่เกิดจากการไม่ต้อง ทุกร้อนเรื่องทรัพย์อันนี้ก็สุขภายนอกแล้วล่ะสุขเกิดจากไม่ป่วยไม่ไข้เออสุขภาพดีแล้วก็สุขต่อไปก็ให้เจริญงอกงามสุขในกุศลธรรมอ่านพระไตรปิฎกก็กุศลจิตเกิดสืบเนื่องไม่มีจิตอย่างอื่นมารบกวนเลยชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีนะอ่านครั้งหนึ่งมีความสุขทีหนึ่งทีอย่างเงี้ยนะอ่ะต่อไปขออย่าได้มีเวรกับใครๆเลยเก็นึกคนมีเวรกันบ้านเนือบ้านใต้ทะเลกันเนี่ยมันเดือดร้อน เรานี่อยากทะเลาะ ก, กับใครไหมรอบๆ บ, บริเวณนีอยากไปด่าไปแช่งใครไหมโอ๊ยอย่าได้มีเวรอย่างนั้นเลยปรารถนาความไม่มีเวรกับพี่บ้านเหนือน้องบ้านใต้ไม่อยากให้ใครมามีเวรกับเราเราก็ไม่อยากมีเวรกับใคร น, นนะอันนี้เรียกว่าขอให้อยา่อยาได้มีเวรเลย น, น่าจะคิดได้บ่อยๆเนาะของก็ไม่ได้อยากเยินอะไรนะพระองค์บอกว่าคนดีทาดีง่ายคนดี ทำชั่วยากคนชั่วทำดียากทำชั่วง่ายเข้างั้นนี่เรานี่ทำดีจากอยา ก, ยากนี้ก็แสดงว่าหน้าน่าจะไม่ค่อยดีนะเออขนาดไม่ดียังบอกว่าไม่ค่อยดีเลยนะขอกข้างหน้าเลยบอกดําปีเลยบอกแลงๆไม่เท่าไหร่ลักมันนี่ต่อไปว่าหนึ่งนะเข้อสองแล้วใช่ไหมย่าได้มีเวรสองอย่าได้เบียดเบียนคําว่าเบียดเบียนก็คือพยาบาทนั่นเองพยาบาทพยาบาท่ า, า, ททานเนี่ยแปลว่าเบียดเบียน อย่าได้ไปเบียดเบียนใครเลยวันนี้ไปด่าใครหรือเปล่าไปทําให้คนอื่นมีความทุกข์ไหมเออตั้งอันนี้ต่อไปอย่าไปทําให้ใครมีความทุกข์นะเนี่ยบอกเลยนะแนะนํากันดีๆอย่างนี้ง่า ย, า ย, ายๆก็ไม่น่ายากนะเอออย่าไปทําให้ใครมีความทุกข์นะเออวันนี้อย่าไปพูดให้ใครเจ็บช้าน้ําใจนะนี่วันนี้เราต้องไม่พูดให้คนไม่สบายใจเหมือนกันเถออตั้งใจเออตัง้งแต่วันนี้ไปเราจะไม่พูดให้คนเครียดเหมือนกันจะไม่พูดให้คนมีความทุกข์ ถึงเรื่องนั้นมันไม่ดีแต่เราจะหาวิธีให้คนพูดแล้วมีความสุขว่างั้นนะครับบอกครับถึงเรื่องนั้นมีปัญหาเราก็ต้องอย่าลืมอะเรื่องนี้แก้ไขได้ต้องไม่ลืมตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมเออที่จริงเรื่องนี้แก้ไขได้นะคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่บอกโอเรื่องนี้ใหญ่มากเลยเครียดกันหมดเลยแล้วมาบอกว่าแก้ไขได้คอยยังชั่วยไหนโล่งแต่บอกว่าเรื่องนี้แก้ไขได้สบายมากอ้าวเรื่องอะไรเหรออ้าก็จะคุยเรื่องกลายเป็นเรื่องไม่หนักไปเลยใช่ไหม บอกว่า แ, แต่เวจะพูดให้เขาหนักใจมากๆเลยนะเรื่องมันไม่ได้ลึกยากขนาดนั้นว่าพูดให้มันยอกให้มันทุกข์ที่สุดถ้าที่เขาจะทุกข์ได้หรือเปล่ามันไม่ได้นะแล้วก็จะพยายามไม่ให้พูดยังไงให้คนมีความสุขพูดอย่างไรโดยที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่าลืมนะพูดแล้วเบียดเบียนตอนนี้มีไหมมีครับพูดแล้ววันหลังมาทุกใจตอนหลังไงพูดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ไม่น่าพูดเลยไ ม, ไม่น่าไปใช้คํานั้นเลยอนามาเนี่ยประจําเหมือนกันนะ ไปพูดคํานั้นได้ยังไงวะเนี่ยต้องมาทุกทีหลังเออเนี่ยก็เบียดเบียนตนอย่างหนึ่งเหมือนกันก็รู้ไม่ค่อยดีก็พูดไปคือบางคําเนี่ยนะเออคานั้นดีแต่ว่าไ อ, อ้จิตที่เป็นสมุทฐานของคําไม่ค่อยดีท่านก็พยายามที่จะ อ, อ่ฝึกเพราะคนที่มีเมตตาเนี่ยจะเริ่มฝึกใช้คํานะถ้าใช้คําไม่เป็นเนี่ยอืมอย่าว่าเมตตาเลยสมถะไม่เกิดสักอย่างหรอกเดี๋ยวก็มานั่งแก้คําที่เราพูดไปนี่นแหละเมื่อเช้าพูดเนี่ยให้เขาทุกอย่างนนะ ตกเย็นมาไปปลอบใจเออที่ผมพูดไปเมื่อเช้าเนี่ยนะผมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็คือทําให้หกเลอะเองเสร็จก็ตามเช็ดเองอะนะ ส, สรุปแล้วก็ผูกขึ้นเองแล้วมา น, นั่งแก้อยู่นั่นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกตั้งแต่ต้นเออเราไม่ทําเรี่ยราดซะอย่างเราก็ไม่ต้องไปตามแก้ทีหลังไงมันเราก็เออทำอยังไงที่จะฝึกใช้วาจาในลักษณะนั้นได้อันที่จริ ง, นะงรเนี่ยขึ้นทุจริตเนี่ยว่าจริตนี่พูดถึงว่าอย่างพวกเราเนี่ยนะ อย่างพวกเราที่ไม่ใช่หาเช้ากินค่ำหรือว่าไม่ได้มีอาชีพอย่างนั้นนะฮะโดนมากทุจริตทังว่จจีทุจริตซะส่วนใหญ่นะก็แล้วก็พูดเท้จก็ไม่มากนะครับแต่พูดให้คนอื่นเดือดร้อนนี่เยอะเหมือนกันนะใช่ไปพูดให้คนอื่นไม่สบายใจนี่<ะ>บ่อยนะเยอะพูดเสียดสีมั่งเยอะเยะ้ยถากทางเปรียบเปร ย, ยนะบะไรอางเงียวันโทสะนี่เวลาเปล่งวาจาออกมาเนี่ยนะส่วนหนึ่งเป็นพุทธวาจา ถึงคํา <ำ S 2> พูดว่าพุทธวาัจจาหมดใช่ไหมถ้าพูดด้วยโทสะเป็นพุทธวาัจจาหมดเลยยกตัวอย่างนะพูดให้เขาไม่สบายใจเนี่ยนะถึงคํานั้นเราจะใช้ไพเราะขนาดไหนก็คือคือโทสะนะคือเพราะว่าถ้อยคําที่ไพเราะของเราเนี่ยนะบางทีคนนั้นเนียเขาเจ็บแต่ไม่รู้จะเจ็บยังไงว่าอจะร้องออกมาหรือมันก็มันก็ไอ้คําก็ไม่ได้เปียหายใช่ไหมแต่รู้ว่าไม่พอใจอย่างไง เพรานั้นคำพูดที่เบียดเบียนเขาอย่างหนึ่งก็คือเราเจตนาลมตั้งใจให้เขาพูดและเขาเป็นบาปอ่ะนี่นะหรือ เ, เรียกว่าเป็นอาสัตบุรุษยิ่งกว่าอาสัตบุรุษก็คือชักชวนการใช้คําและคนเป็นบาปต่อเลยนี่นะชวนพูดเรื่องที่ที่ฟังแล้วเป็นอักขุสนอ่ะนะเมื่อเขาฟังเมื่อไหร่เขาเป็นอักุศลทุกครั้งที่ฟังอันนั้นเรียกว่าอะไรเป็นอาสัตบุรุษยิ่งกว่าอาสัตบุรุษนะพูดชั่วเองเนี่ยอย่างหนึ่งแล้วนะ แต่ว่าถ้าชักชวนคนอื่นพูดแล้วอกุศ ล, ละจิตเกิดเนี่ย น, นี่เรียกว่าสัดบรุษยิ่งกว่าอาสัตบรุษเนี่ยนะเรียกว่าไม่ดีเฉพาะตัวนี่ก็ว่าว่าไม่ดีอยู่แล้วไปชักชวนคนอื่นเป็นบาปเป็นอกุศลไปด้วยเนี่ยปกันใหญ่เนี่ยนะบาปเฉพาะตัวก็ไม่พอไปชักชวนคนอื่นให้บาปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเมตตาต่อตัวเองเนี่ยทำไงขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้เบียดเบียนตัวข้าพเจ้าเองเลยเมื่อข้าพเจ้าใช้คําแบบนี้ข้าพเจ้าก็ต้องทุกข์ต้องร้อน ข้าพเจ้าก็จะได้ไปพูดให้คนเดือดร้อนเลยแบบนั้นเออนะน่าจะคิดได้นะหอมมานี่น่าจะคิดอย่างนี้บ่อยๆนะไม่แปลกนะดูมันก็แปลก ม, มีเรื่องน่าคิดตั้งเยอะๆนะกลับไม่คิดโอ้เพราะอะไรนะก็บอกว่าอาวิชชาเนี่ยนะทําให้ได้สิ่งที่ไม่ควรได้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้เขาว่าไกายะสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยควรได้ควรบําเพ็ญควรปฏิบัติไม่ได้ครับ โทษจริตทั้งสามเนี่ยนะกายทุจริญวจีทุจริญมโนโทุจริญควรได้ไม่ควรได้ไม่ควรประพฤติไม่ควรปฏิบัติแต่ก็ได้อันนี้เรียกว่าด้วยอํานาจของอวิชชาว่างั้นอวิชชาแท้ๆเลยนะโทษของความไม่รู้โทษของความบอดโทษของความเคล่าโทษของต้นต่อของวัตตะว่างั้นศีรษะแห่งสังสารวัฏศีรษะแห่งสังสารวัฏมีกี่อย่าง บางแห่งเนี่ยนะกล่าวไว้สามอย่างเยศีรษะแห่งวัตตะเนี่ยนะหนึ่งอวิชาเนี่ยนะเป็นหัวของสังสารวัฏอย่างนึง น, นะสองตันหาสามทิฏฐิเนี่ยทิฏฐินี่บางทีก็เป็นหัวของสังสารวัฏด้วยนะสามตัวเนี่ยนะเป็นหัวของสังสารวัฏคิดดูนะถ้าหากว่าเราหูได้ยินเสียงเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะยกตัวอย่างเสียง รถวิ่งหรือเสียงไก่ขันเสียงอะไรก็ช่างถ้าเราไม่มีความสุดจริตใจในเสียงเหล่านั้นจะพิจารณาเสียงเหล่านั้นโดยความเป็นขันท่าได้ไหมฟังเสียงหุย้ยใครมาทาให้มันน่าจะขับเบาๆหน่อยก็ได้จะรีบไปไหนเนอะรีบไปจุดๆ <c oughs> นั่นแหละถามว่ามีมเมตตาหรือเปล่าพิจารณาอารมณ์ได้สักอย่างไหมไม่ได้แล้วเพรา ะ, ะนั้นความสุดจริตใจเมื่อเราได้ยินแล้วถ้าไม่เกิดนะ การเจริญวิปัสสนาก็ยากนะหรือว่าโทสะมีณนะภายในจิตก็รู้ว่ามีนะภายในจิตแต่ที่จริงถ้าเจริญแบบนั้นก็ควรรู้ต่อไปด้วยนะโทสะแบบนี้ถ้ามีบ่อยๆณนะภายในจิตก็ไปอบายเพราะโทสะนี้ด้วยอย่างเงี้ก็ต้องควรที่จะเจริญต่อไปด้วยนะโทสะมีณนะภายในจิตเออชาวนะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ด้วยดวงที่7ให้ผลชาติหน้าสองถึง6ให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปด้วยนะี่ควรที่จะจำอันนี้ด้วยนะ นะเมื่อโทสะมีณนะภายในจิตก็ทําเหตุแห่งความทุกข์หรือว่าเหตุแห่งความทุกข์กาลังเกิดขึ้นณนะภายในจิตอย่างเงี่ยควรที่พิจารณาอันานี้ด้วยเหมือนกันนะอ่าแล้วก็ <c oughs> ต่อไปนะว่าอย่าได้เบียดเบียนหรือเบียดเบียนทางความคิดเนี่ยเคยไหมถามว่าเบียดเบียนคนอื่นทางความคิดเป็นไงรู้ไหมคิดตําหนิคนอื่นเนะี่ย <c oughs> คิดตําหนิเลยนะยกตัวอย่าง <c oughs> <c oughs> ไงมันคือโทสะทานนะนึกเรียกว่า เอางนะตรงกันข้ามกันนึกให้พรนะ่ะนั่นแหละเรียกกันนึกเบียดเบียนอะ่ะใช่ไหมถ้าคนให้พรมันเป็นยังไงเออให้อายุมั่นขวัญยืนนะมีความสุขสุขภาพดีแข็งแรงอย่าป่วยอยา่าไข้ทําหน้าที่อะไรประสบความสําเร็จประสบความเจริญไปใช่มนั่นหะวยชัยให้พรทางความคิดอะ่ะไอคิดตรงกันข้ามนี่แหละนั น, นะคิดตําหนิคิดบนคิดว่าคิดดาคิดสารพัดพวกนี้แหละเรียกว่าเบียดเบียนทางความคิด นะอาบางท่านก็ไม่เบียดเบียนทางกายแต่ก็เบียดเบียนทางวาจาเออไม่เบียดเบียนทางกายนี่ดีแล้วแต่ลดทางวาจาหน่อยนะอาทา ง, างบางคนเนี่ยทั้งกายวาจาไม่ผิดเบียนใครเลยแต่นึกใจเนี่ยนึกบ่นอย่างเดียวทําไมกลับช้านักทําไมกลับอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะพวกนี้บ่นทางความคิดอันนี้ก็บาปอย่างหนึ่งกนนะเบียดเบียนคนอื่นทางความคิดเออนะถึงม้าช้าก็ให้ประสบความสําเร็จเธอมีความสุขมีอายุยืนนะ ข้าพเจ้านั่งอย่างนี้ก็ให้ข้าพเจ้าอย่าได้คิดเป็นบาปเป็นอกุศลเน้ออย่างเงี้ยคิดแบบนี้บ่อยๆอันนี้ก็เป็นเมตตาทางความคิดเหมือนกันไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนตัวเองทางความคิดนิยะหนึ่งเนี่ยนะก็คือถ้าเราคิดเป็นอกุศลเมื่อไร่เราก็เบียดเบียนตนทางความคิดก็บอกว่าถ้าอากุศลเน้อจะชื่อว่าตนไหมตนในที่นี้อัตตาเนี่ยนะคำว่าอัตตาเนี่ยนะถ้าไม่บวกทิฏฐิไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายนะ แต่ถ้าบวกทิฏฐิด้วยเมื่อไหร่เนี่ยเสียหายทุกทีเลยนะแต่ถ้าคำว่าอัตตาเนี่ยบางทีเนี่ยพระ อ, องค์บอกว่ามีใจเป็นของตนอัตตมนานะอัตตมนาก็คือมีใจเป็นของตนถ้าโทสะเกิดขึ้นในใจนี่ชื่อว่าเป็นของตนหรือเปล่าของตัวเองก็คือให้มันให้ประสบความสำเร็จให้มีความสุขความเจริญอะนะ่ะเนาะแล้วโทสะนี้มันให้ความสุขหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่โทสะเกิดขึ้นชื่อว่าไม่มีใจเป็นของตน ถูกโทสะนี่เล่นงานไปแล้วคนที่ถูกโลภะกลุ่มรุมก็ชื่อว่าไม่มีใจเป็นของตนคนที่ถูกโมหะกลุ่มรุมก็ชื่อว่าไม่มีใจเป็นของตนเพราะฉะนั้นควรมีใจเป็นของตนคืออกุศสนนั่นแหละไม่เบียดเบียนเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ถูกอักุศลเบียดเบียนก็ชื่อว่าขาดเมตตาต่อตัวเองด้วยชื่อว่าตัวนั้นไม่ประพฤติถูกทำเพราะฉะนั้นตั้งใจบ่อยๆนะเราเนี่ยจะได้เบียดเบียนตัวเองนะอ่า อย่าได้เบียดเบียนผู้อื่นนะและคนอื่นก็อย่าได้เบียดเบียนเราด้วยตั้งใจไว้อย่างนี้นะสุจริตสามนี่ไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับโดยเฉพาะมนโมนมโนสุดจริตเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยอาศัยการฝึกได้อาศัยการฝึกได้นีท่านบอกว่า <c oughs> แก้วน้ํานี่สวยนะแค่นึกมนโนทุจริตแล้วเ <c oughs> นี่ยเนี่ยแก้วน้ําเนี่ยสวยเนี่ยนะยังยังไม่ได้ไปจับนะ <c oughs> พขาบอกว่าเออแก้วนั้นคือเพวกเอยออกมาวาจาว่จีทุจริตแล้วเจมสท่านยังไม่ได้<ช>ยังไม่ได้ไปด่าใครเช<ล>ยใช่<ล>ใชพอเอื้อมืออืมสวยจริงๆนีกายะทุจริตแล้วถ้าบางทาง่านเขว่าเอ๊ะแล้วทําไมจะต้องมาคิดให้มันยุ้มยิมลาะลเอียดขนาดนี้เราก็ถามเขาว่าสังสารวัตรมีโทษหรือไม่มีโทษเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เที่ยงหรือไม่เที่ยง คนที่อยู่ในสังสารวัฏเนี่ยปลอดภัยหรือว่ามีภัยเป็นกันดารหรือไม่กันดารเมื่อเราประมาทกับอารมณ์นี้แล้วถามว่าเมื่อไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อื่นๆเราจะไม่ประมารหรือนะเมื่อเราเห็นสิ่งนี้เราไม่พยายามใคร่ครวนไม่ปฏิบัติตามโอวาทอนุสาสนีของพระผู้มีพระภาคซึ่งคําสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นนิยานิกระทัมเป็นธรรมะที่ช่วยให้พ้นจากวัตทุคือ ถ้าอย่างนี้เราก็ไม่เคารพในคําสอนเมื่อไม่เคารพในคําสอนแสดงว่าเราไม่เคารพในหนทางเพื่อความพ้นทุกข์แต่ถ้าหากว่าสังสารวัฏไม่มีอะไรมีโทษสักอย่างเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นไระนะเพราะส่วนใหญ่คนที่ไม่นิยมเจริญกุศลคือคนที่ไม่เห็นภายในกรรมวัฏก่อนเอที่เราทํากรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีผลหรือไม่มีผลเนี่ยนะ ก็ไม่เห็นโทษแห่งกรร ม, มวัดต่อไปไม่เห็นโทษเมื่อไม่เห็นโทษของกรร ม, มวัดก็ไม่เห็นโทษของกิเล ส, สวัดอาศัยกิเลสนั่นแหละ อ, อ, อาศัยวิบากนั่นแหละก่อให้เกิดกิเลสต่างๆถ้ า, ก, ลลา ก, ก, ก, ก, กุศลวิบากให้ผลกิเลสโลภะก็เกิดอกุศลวิบากให้ผลโทสะก็เกิดนะอารมณ์ธรรมดาธรรมดานี่นะซึ่งเป็นผลของกุศลก็ไม่ประณีตถ้าคุณได้รับเช็คล้านหนึ่งเนี่ยถามว่า จะดีใจหรือจะเสียใจอะนะบางคนเนี่ยแทบบ้าตายเหมือนกันเพราะได้รับเช็คของขวัญหนึ่งล้านเนี่ยเพราะว่าคนที่ให้เช็คนี่มีเงินเป็นหมื่นล้านอ่ะในฐานะเราเป็นทายาตให้เรากค่ล้านเทียวทุกข์เหมือนกันนะนัน้อยไปอ่ะนี่กุศลแล้วมีบากนะให้ผลเนียยังทุกข์เลยอ่ะคนอ่ะใช่ไม ฝากคนซื้อของให้เนี่ยนะก็ก็นับว่าดีแล้วล่ะเม่อมันไม่ถูกใจเรามันดีดีน้อยกว่าที่เราคิดไว้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็ทุกเหมือนกันดงนะั้นกูสอแล้วิบากเนี่ยก่อให้เกิดโทรมานัดได้นะเพรา ะ, ะเราเห็นโทษไหมว่าเมื่อวิบากเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดกิเลสได้หมดเล ย, ยนะเมื่อมันก่อให้เกิดกิเลสกิเลสก็ทําอะไรทํากรรมแหละแรงแห่งอํานาจกิเลสเนี่ยนะ สามารถที่จะทำบาปอย่างอื่นต่ออีกมากมายมหาศาลซึ่งกิเลสเหล่านั้นก็มีเวทนานั่นแหละเป็นเป็นปัจจัยเวทนาที่ดีก็ก่อให้เกิดกิเลสที่ในลักษณะผูกพันยึดติดและเวทนาที่ไม่ดีก็ก่อให้เกิดโทษคือกิเลสสายปัทุสร้ายหรือเบียดเบียนหรือต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งแ้ <c oughs> ถ้าหากว่าผู้ที่เห็นภายในวั ต, ตะสาม ก็จะไม่ปล่อยให้วิบากเกิดลอยๆโดยที่ไม่ทําปริญญาสังเห็นแก้วน้ําไม่ใช่วิบากเลยจิตเห็นก็เป็นวิบากเมื่อเป็นวิบากก็แสดงว่ามาจากผลของกรรมเราเห็นแล้วเราจะทํากรรมอะไรใหม่ะจะมาเห็นแบบนี้อีกไหมอะไรงี้ยก็ต้องเอาเรื่องวัตถะเป็นรุมเนี้เข้าม า, เ, า, มาเพราะว่าอย่าลืมว่าศาสนาของพระศาสดานั้นเป็นนิยานิกระทําเป็นธรรมะช่วยเป็นเครื่องนําออกจากวัตถุทุก ถ้าเราไม่เห็นโทษของวัตถภัยไม่เห็นโทษของสังสารภัยเนี่ยนะเราก็อย่างว่าพัะภัยบางอย่างเราก็ต้องเอาผู้อื่นมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบช่วยด้วยนะเช่นอย่างที่ว่าเหตุให้เกิดความเพียรก็คือพิจารณาสังเวกขวัตุ8ปก็คือภายในอบายเป็นต้นของเราเนี่ยบุญบางอย่างนะที่เป็นเหตุให้ได้รับกุศลวิบากบางอย่างที่ดีๆอยู่ แต่ว่าบุญเหล่านั้นเนี่ยเราสมควรจะสเสวย อ, อยู่ได้อีกนานเท่าไร่เราก็ถามสังเกตดูสภาพจิตของเราว่าใจเรานั้นเป็นไปกับกุศลมากเท่าไหร่เมื่อรับอารมณ์เหล่านี้ถ้าใจเป็นไปกับอกุศลมากแสดงว่าบุญเราที่ทำมาให้รับวิบากแบบนี้ก็ไม่ได้มากมายอะไรนรักหรอกเพราะฉะนั้นสังเวชใจได้เลยว่าเราคงจะได้รับความสุขได้อีกไม่นานเพราะอะไรเพราะสังเกตจากเจตนาที่เราทหม่แล้วไม่ค่อยดีนะักเนี่ยนะ เพราะว่าอากุสลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันไปเป็นอุปปีและกกรรมอคุศลจิตเนี่ยถ้าเกิดบ่อยๆเนี่ยนะเป็นอุปปีและกกรรมแก่มหากุศลที่ในอดีตที่จะให้ผลด้วยเป็นประโยชน์ข้าววิบัติตที่ให้กุศลให้ผลอนะ่ะอย่างคนเนี่ยบางคนเนี่ยกำลังมีความสุขรับวิบากอย่างดีเลยนะเกิดโทสะมันเกิดขึ้นมาโกรธพอโกรธโทสะเกิดขึ้นมาใช่ไหม ถึงกับไปกล่าวคําบางคําซึ่งเป็นประโยคนาวิบัติแล้วต้องตกต่ําทันทีเลยเพราะคาพูดไม่กี่คําเหล่านั้นแหละเช่นไปด่าผู้มีพระคุณไปทําไม่ดีไม่ร้ายกับผู้มีพระคุณเป็นต้นเนี่ยนะก็มีโทษมากมายมหาศาลเพรนั้นกุศลวิบากเนี่ยเราก็ต้องพยายามไข้ครูนไตรตรองให้มากๆน ะ, จะเจริญเมตตาให้ตัวเองเยอะๆหน่อยเนาะแล้วต่อไปนะอย่าได้เบียดเบียนตนแล้วก็ขอให้รักษาตนให้พ้นจาก ความทุกข์ข้งปวงเธ อ, อทุกใดที่จะพึงเกิดในสังสารทุกเนี่ยนะทุกเหล่านั้นจะได้ทําเลยว่างั้นนึกถึงพู้ต่อพอบ่อยๆนะท่านทั้งหลายถ้าท่านกลัวต่อทุกท่านจะได้ทําชั่วนะถ้าหากว่าท่านทําชั่วอยู่ถึงจะเหาะ อ, อยู่ท่ามกลางฟ้าท่านก็ไม่พ้นจากความทุกข์เห็นไหมถ้าหากว่าอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรก็ไม่พ้นจากความทุกอยู่ที่ไหนจะพ้นจากความทุกบ้าง เพราะนั้นถ้ากลัวทุกข์ก็จะได้ทําชั่วเพราะนั้นพยายามที่จะนะเจริญกุศลอ่ะเจริญเมตตาให้กับตัวเองก่อนเสร็จแล้วเจริญเมตตาให้ใครต่อไปอีกเมื่อเจริญเมตตาให้กับตัวเองได้แล้ว <c oughs> คนที่เราเคารพวันก่อนเนี่ยเอ๊ะทำไมเราไม่ไม่นึกวิธีเจริญเมตตานะเมื่อวานก่อนไปอ่านมหาประทานสูตรมหาประทานสูตรนี่กล่าวถึงว่า พระพุทธเจ้าระลึกชาติได้เนี่ยเพราะเพราะพระองค์รู้ธรรมธาตุหรือว่าเพราะเทวดาบอกควาั้ที่ระลึกชาติถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนเป็นต้นเนี่ยแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเพราะพระองค์เนี่ยแทงตลอดธรรมธาตุพระองค์จึงรู้ทั้งหมดด้วยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เทวดาบอกพระองค์ก็เล่าว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็ไารบกับสังสารวัตอันยาวนานเนี่ยที่ที่พระองค์ไม่เคยไปคือ คือที่ไหนนะพบที่พระองค์ไม่เคยไปไม่เคยปฏิสนธิไม่เคยเกิดคือสุทาวาสพอพระองค์ปาราบอย่างนี้เข้าพระองค์ก็ไปในสวรรค์ชั้นสุทาวาสชั้นสุทาวาสมีหานะ้าไหอวิหาตปาสุตสาสุตสีและอกกนิฐาไปถึงพระองค์ก็ไปปรากฏที่ชั้นอวิหาพอไปปรากฏตนปุ๊บเนี่ยนะพระอริยะบุคคลทั้งเป็นพระอนาคามีและพระอรหันต์ก็เข้ามากราบพระพุทธเจ้า นะพระอนาคามีกลุ่มพระอรหันเข้ามากราบพระพุทธเจ้าแล้วก็เล่าว่า <c oughs> ขา้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข์เหมงอนกันย้อนหลังไปเมื่อเก้าสิกับได้มีพระอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเกิดขึ้นในโลกชื่อว่าพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพ่อชื่อนี้มีแม่ชื่อนี้มีอัคารสาวกข้างขวาชื่ออย่างนี้ข้างซ้ายอย่างนี้มีอุปถากอย่างนี้ตรัสรู้ที่ต้นไม้ชื่อนี้มี สาวกสันนิบาตสามครั้งครั้งที่หนึ่งมีเท่านี้เท่านี้ก็เล่าให้ฟังอันฆ่าพระองค์นั้นได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคละกามฉันทะและจึงมาเกิดณที่นี้เพราะงั้นคือคื อ, คอท่านก็เป็นพระอนาคามีแล้วก็บางท่านไปถึงอนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันต์เลยยาวนานขนาดนั้นบางพวกก็ห้าร้อยมหากรัปอไอ้กรัปก่อนหน้านี้มาหายากมากสองค์ก็พอมี แต่องเดียวก็มีเยอะนะแต่ว่า5องค์นี่มีกับนี้เรียกว่าสาระนะหรือเรียกว่าพัทธกัปพัทธะนี่แปลว่าเจริญเป็นกับที่เจริญมากพระองค์แรกชื่อว่ากะกูสันธาองค์ที่สองโกนาคมนาองค์ที่3นี้พักัสสะปะองค์ทุกวันก็คือพระโคตมะโคตมะโคดเหมือนั้นเถอะแล้วองค์ต่อไปก็คือพระเมตยะแต่ว่าระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งองค์หนึ่งเนี่ยนะเท่าไรได้ไหม แผ่นดินหนาประมาณโยชดหนึ่งนะเอตายเกิดตายเกิดกี่ครั้งนะแผ่นดินริงกันสูงประมาณสักสิบหกกิโลเมตรเนี่ยนะใครรอไว้ไหมรอให้อะเอนี่กำลังนึกว่าเอถ้าหากมาจากนี้ไปหาพระศรีอานเกิดเนี่ยนะเราต้องตายเกิดอีกกี่ครั้งเนี่ยนะกว่าจะถึงพระศรีอานใช่ไหมคิดว่ากี่ข้า ด, ดิกี่ครั้งนี่อานะเอเอยังไม่รู้ที่เกิดด้วยนะ ถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะถ้ายุยร้อยปีเนี่ยเกิดกี่พันครั้งเนี่ยนะจึงจะทันพระสิริแล้วระหว่างเกิดเป็นพันพันครั้งเนี่ยคิดว่าจะได้ทําบุญมากนะใช่ไหมเออเมื่อเกิดมาแล้วจะทํากายสุจิเรศหรือว่าจีสุจริตหรือมโนสุจริเรหรือทุจริเรศยังไง ต า, ตายเกิดตายเกิดเลยนะใกล้ๆพระสีอานจะตัดสรูเราดันไปเกิดแนะ่บายเนี่ยกับตัวใครกับตัวใครแล้วกันนี่พระพุทธเจ้าเห็นนะเจริญกรุณาให้เลยเนี่ยนะเออสัตว์ทั้งหลายนี่น่าสงสารเนอสัตว์โลกทุกเนาหมอนทุกจริงๆอของเราก็ทุกอีกแล้วเพราะอีกนานวกว่าภระสีอานจะมาตัดสรู้แล้ว <c oughs> ทีนี้พระพูทมีประภาคก็อีก จะมีเทวดาอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาเฝ้าพระ อ, องค์ในเทพชันวิหาเนี่ยกลุ่มนี้ก็เล่าว่าเมื่อส1กลับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าชื่อว่าวิปสิกขีเนี่ยพระพุทธเจ้าสิขีเนี่ยตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสาวกก็เล่าให้ฟังแบบหมดหลังข้าพระองค์ทั้งหลายก็ประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคานะละกามาฉันทะได้แล้วจึงมาเกิดณที่นี้ซึ่งเป็นหมายถึงพระนาคามียนะ ผ้านาคาเมียบางพวกเนี่ยไปถึงแล้วบรรลุเลยบรรลุเป็นผ้าอราหัน์เลยบางพวกนี่อยู่ระหว่างกึ่งกลางแล้วบรรลุเป็นผ้าอรหันบางพวกบรรลุปลายๆแล้วเป็นผ้าอรหันบางพวกเนี่ยเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆไปบรปารลุอรหันที่อาการิฐาเนีย่ยนะแล้วก็เป็นลนนักษณะนี้แล้วเทวดากลุ่มนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็มาใหม่นะพรมเนี่ยนะพรมกลุ่มหนึ่งก็บอกข้าในพัทธกับนี่แหละข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญข้าพระ อ, องค์ ได้ประพฤต right. like ิพรหมจรรย์ในพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกูสันทะเทวดากลุ่มใหม่บอกข้าพระองค์ดังหลายได้ประพฤติในพระกัสสปะอีกกลุ่มหนึ่งบอกข้าพระองค์ได้ประพฤติในพระโคตมะก็คือพระองค์นั่นแหละเหมือนกันนั่นเทวดามาห้าห้ามีมาห้าพวกนั่นนะมากลุ่มหนึ่งพระกลุ่มสาวกพระวิปัสสีกลุ่มที่สองสีขีกลุ่มที่สกกูสันทะกลุ่มที่สโกนาคามณะกลุ่มที่5กัสสปะเนี่ยนะ พระ อ, องค์เสด็จไปตอนไหนครับอ่าตอนที่พระ อ, องค์ประทับอยู่ที่เมืองอะไรไม่ทราบแวะไปพักเดียวนะไปไม่ได้ไปแบบเป็นทางการเนี่ยนะหายพระ อ, องค์ไปไม่ได้เล่าบอกใครเลยเนี่ยนะเอาไปดูในมหาประทานสูตรนะเล่มสิบสามนะถ้าต้องการรายละเอียดลึกซึ้ง <c oughs> แล้วต่อไปเนี่ยว่าพระ อ, องค์ก็เล่าเล่าครับขอบคุณท่าน แล้วผู้ที่ไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์บนชั้นนั้นแล้วก็ยังไม่ปรินิพานโอ้ยังอยู่จนเส้นอายุไขแล้วแนะถึงจะปรินิพานเลยเจ่ินพ อ, อยู่อีกนานโอ้สบายไม่ปวดหัวตัวร้อนเลยนะอยู่นั่นนะ่ะมีสักอย่างเลยใครมีธุระก็เล่าให้ฟังบ้างไปที่นั่นได้อ๋โอโมทนาบุญด้วยโอ้ข้าวไม่ต้องกินนะกินปีติยังไม่ต้องกินเลยอะ่ะ พรมชั้นอภัสราณนะพรมที่ยังละปีติไม่ได้ยังต้องกินปีติพรมชั้นนี้ปีติกับมือนต้องกินสบายจริงๆเลยจะเข้านิโรธสมาบัติก็ได้เข้าพระสมาบัติก็ได้เข้าเป็นอริยะหมดอาณาคามีอย่างต่ำที่สุด น, นะอนาณาคามีอย่างเดียวสูงไปขนาดนั้นเลยนะแล้วก็เทวดาแล้วพระองค์ก็ชวนเทวดาก็ติดตามเทวดาชั้นอวิหารเนี่ยติดตามพระพุทธเจ้าไป ไปชั้นอตตปะนะเทวดากลุ่มชั้นอตตปาก็มาเล่าให้ฟังในลักษณะเองนี่แล้วพระองค์ก็เสด็จจากชั้นอวิหาอตตปาเนี่ยนะเทวดาสองชั้นเนี่ยพากันขึ้นไปในชั้นอวิหาอตตาปาสุทธาสานะนะไปหาเทวดาในชั้นสุทธาสาก็เข้ามาเฝ้ามาเข้ามาเฝ้าอา่าแล้วก็เล่าให้ฟังอีกก็ไปหากลุ่มเทวดาชั้นสุทธศี กลุ่มเทวดาชั้นสุทัศสีจากบรรลุจากพระพุทธเจ้าองค์ไหนองค์ไหนก็มาเล่าให้ฟังอีกแล้วก็ไปจนชวนกันขึ้นไปที่อกคนิ tha นะเทวดาที่ประพฤติพรหมจรรย์นในศาสนาพระวิปัสสีก็มาทูลพระสิขีก็มาพระกกูสัมถะก็มาพระโกนาคมณะก็มาพระกัสปะก็มาเหมือนนเนไเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นก็มาวิปสัสสีสิขีเวสภูนะที่จริงตกไปองค์หนึ่งนีตกพระพุทธเจ้าไปองค์หนึ่ง เวสภูหลงพระพุทธเจ้าเป็นองค์เลยเนาะยังนะพระวิปัสสีสิกีเวสภูกากุสันทะโกนาคมณะและพระกัสสปะแล้วก็สาวกของพระผู้มีพระภาคก็ไล่ที่จริงเนี่ยนะหาคนดีเจริญเมตตามไม่ได้ก็เจริญไปหาพรมชั้นห้าชั้นน่นแหละโอ้ยขอให้พรมชั้นสุดทาวาชั้นอวิหามีความสุขเถ อ, อนะคนดีขนาดนั้นใครยังคิดคิดด่าท่านบ้างนี้ นึกถึงพระแร่ยะชั้นอนณาคารมีชั้นพระอรหันต์นั้งนั้นหละอยู่นั่นอ่ะจะโอขอให้เทพชั้นอวิหามีความสุขไหมอย่าได้มีเวรอย่าได้เบียดเบียนฝึกคิดให้อย่างนี้ให้เป็นกุศลอย่างงี้บ่อยๆให้มากๆก่อนไล่ไปทุกชั้นเลยเสร็จแล้วค่อยเจริญลงมาอขอให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้มีความสุขนะเจริญไปหาคนธรรมดาะถ้าเจริญได้อย่างนั้นขอให้คนทั้งเชียงใหม่มีความสุขเถอะเจริญยากว่ะคระนี้ไม่ยากให้เราฝึกเจริญให้กับคนดีๆแล้วจริงๆเนี่ย เคยเจริญอุทิสวนกุศลเจริญค่ะแต่นี้นี่เจริญเมตตากับอุทิศสวกุศลในีคนละในกันอะไรอั น, นแรกนั้นน่ะปฏิทานไมยนี่ภาวนาไม่แล้วก็ท่านลงมากันนั่นเองว่านางวิสาขามีความสุขนะเจริญให้นางวิสาขาก็ได้ใช่ไหมนางวิสาขาเท พ, พธิดามีความสุขนะจะได้มีความทุกข์จะได้มีความเดือดร้อนแต่จริงนางไม่ได้เดือดร้อนหรอกเราเนี่ยเดือดร้อนอยูนเดียว ลงมาเอ ก, กเจริญให้อนาถาบิณฑิกาเศรษฐีมีความสุขหมอชีวโกโกมาละพัฒมีความสุขมีอายุยืนเธอเจริญลงมาอีกนะขอให้เท้าสักกะมีความสุขมีอายุยืนนะขอให้เท้าจาตุมหาราชทั้งสีเนี่ยมีความสุขมีอายุยืนนะอ้ยมนุษย์ชาวเชียงใหม่ชาวกรุงเทพนึกใครมีความสุขไงนึกยา ก, ย ไ, ยากไหมมันไม่นึกอะไร <laughs> บางทีมันนึกไม่ได้นะเชอนั่งนึกยังไงกับนึกไม่ออกเข้าวสิบเอ็ดเล่มนั่นแหละนั้นก็เราก็ฝึกเจริญเมตตาไงก่อนนะให้แก่คนที่เราเคารพก่อนใช่ไหมให้คนที่เคารพก่อนแล้วก็เจริญให้ใครอีกให้คนที่เราชอบพอกันใช่ไหมแล้วให้คนธรรมดาเสร็จแล้วค่อยไปหาคนที่เป็นศัตรูกับเรา คนที่เราไม่ชอบเขาเลยอ่ะคือนึกนึกหนานึกตามาเมื่อไหร่เนี่ยโทรสะขึ้นมาตังเติตตังเกตเลยมีไหมคนลักษณะนี้ในความคิดของเรามีป่ะบางท่านบางบางเหตุการมีแต่ก็งไม่ใช่ศัตรูถาวรแ่ก็ไม่เคยนึกให้เาเสียหายนนะคือนึกแล้วเมตตาไม่เกิดอ่ ะ, น, น, อะ น, นึกถึงใครแล้วเมตตาไม่เกิดเนี่ยคนนั้นก็ถือว่าเป็น ไม่ใช่อารมณปัจจัยของเมตตานึกเมื่อไร่แล้วคเครียตงงดตึงเหงื่อขึ้นมาเลยเนี่ยนะไม่ได้นึกด่านึกแช่งหรอกแต่ว่ามันไม่สบายใจเลยหงดเหงืดอันนี้นแสดงว่าเราขาดเมตตากับคนนั้นมันก็ต้องเจริญเมตตาให้คนนั้นก่อนให้ว่าในโลกนี้ไม่มีศัตรูไม่มีคนที่เรารังเกียจแม้แต่คนเดียวเลยเนี่ยนะเพราะนั้นทํำยังไงอะคนที่เรากําลังนึกอยู่โผล่หน้ามาเรียกว่าคนคนนี้โผล่หน้ามาที่ไรเนี่ยจังกําลังหัวเราะอยู่แห่ๆอะไรหมดเลยนะหุบเลยอย่างเงี้ย จะแก้ปัญหานั้นอย่างไรใช่ไหมเวลาเรานึกถึงคนที่เราไม่ชอบเนี่ยนะนึกแล้วก็เมตตาไม่เกิดเลยอุตส่าห์ฝึกฝนเมตตามาตั้งนานแล้วเมตตาให้ตัวเองก่อนแล้วพอไปถึงคนนั้นเมื่อไรเนี่ยเมตตาหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้ก็ฝึกใหม่อย่างเงี้ยวิธีชั้นต้นเลยก็คือเจริญเมตตาตามลําดับนี่ใหมเนะี่เจริญตามลําดับไปเรื่อยๆก่อนก็ยังโกรธอีกนั่นแหละเอาไงฝึกอย่างนี้ไปก่อนถ้าไม่ได้ ถ้าไม่ได้จริงๆนี่แก้ปัญหานั้นอย่างไรนะใครเอาไปใช้บ้างอ๋อหนึ่งจะระลึกถึงโทษของความโกรธด้วยพัสดู ต, ต่างๆอ่าพระพุทธเจ้าพูดถึงความโกรธในลักษณะไหนบ้างเริ่มรายสูตรแล้วใช่ไหมเราก็เสร็จมีอาจารย์หนึ่งบ้างอะ่ะเอาไว้ภะะาษาสดาเราสอนว่างไงก็ว่าตามนั้นอะ่ะคนโกรธย่อมยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดอย่างเงี้ยคนโกรธย่อมไม่รู้อัดคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรม เมื่อได้ความโกรธครอบงํามืดไปหมดในเนี่ยเรากำลังมืดเนาะนี่ยโท่สาเกิดแล้วเนะาะอี่ยตกนรกแน่ๆเนะาะงั้นครั้งนี้เนี่ยนะโท่สาเนี่แหละเพราะฉะก็เจริญอพระสูตรก่อนระลึกถึงพระสูตรเสร็จแล้วก็เจริญเมตตาใหม่นี่มันก็ยังไม่หายอีกนั่นแหละทําไงอะ่ะก็บอกว่าให้หาระลึกถึงความดีของเขาอะ่ะในคนนั้นน่าจะมีดีสักอย่างอยู่ในตัวเขาอะ่ะใช่ไหม ไม่ดีทางกายก็ดีทางวาจาไม่ดีทางวาจาก็ดีทางใจน่าจะมีส่วนดีบ้างนะเอาถ้าไม่มีดีสักอย่างเลยอะเจริญกรุณาแทนเธอโอ้ยเขาก็ยังเป็นมนุษย์เฉพาะเดินเฮนนี่แหละถ้าหากว่าเกิดพบใหม่จะเป็นยังไงเนะ้ะว่างถ้าเขาตายเนี่ยถ้าเขาบาปขนาดเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนนะกรุณามันเกิดก็ไม่โกรธละพัดลมนี่มันแรงหวัดจก ขึ้นอีกแล้ว <c oughs> ให้ให้เต่าไปทางโน้นอย่างเดียวนะช่วงนี้มหาภูติรูปมันกำเริบเรื่อยผิดธาตุดินธาตุน้ำธาตุาลมธาตุไฟเลี้ยงดูอย่างดีอยังขนาดนั้นเลยบอกแล้วคบรบรูปพระพุทธเจา้าว่าไม่ดีไม่ดีก็ไม่ค่อยเชื่อน ะ, นะ ทีนี้ต่อไปนะถ้าหากว่าเอา้านึกถึงความดีของเขาก็แล้วก็ยังไม่หายโกรธอุตสาสะสมมาตั้งนานเลยนะจะละกันได้ยังไงง่ายๆเลยโทรศัพทนะมาอุตสาสะ ส, ะสมฝึกฝนมาตั้งนานทำไมเด็กๆ เ, เ, เกิดมาก็ร้องมาเลยเงี่ยนะฝึกมาตั้งนานแนละ้วโกรธเนี่ยจะมาเจริญง่ายๆเลยอย่างเงี้ยนึกการนึกถึงความดีแค่นี้ไม่พอแล้วยังโกรธขึ้นอีกแก้อย่างไงกันนี้ก็ พิจารณาอุบาย1ิอยา่างเนี่ยนะก็คือรู้จักสอนตนอ้ยถ้าเป็นพระเป็นเนรเราเราเนี่ยบวชละพ่อละแม่ละญาติที่นองน้ำตากันมาแต่ก็บวชมาพเนาพนอเจ้าโทสะอยู่อย่างเดียวนะอย่างอื่นเนี่ยละได้หมดเลอแต่โทสะล้วนๆอย่างนั้นนี่ก็เป็นต้นเนี่ยนะก็พิจารณาหาพระธรรมแบบนี้มามาตรึกนะสอนตัวเองนั่นเองนะนะหาอุบายวิธีการต่างๆมาสอนตัว ทีนีต่อไปก็สอนเอาเรื่องกรรมมาจับเอ้ยโกรธอย่างงี้เนี่ยทําให้ตายแล้ไปสุคติได้ไหมถามเอ้ยโกรธ อ, อ, อย่างนี้เนี่ยชาติหน้าจะเป็นกระสับเพราะความโกรธไม่เป็นเศรษฐีก็เถอะบดีโกรธอย่างงี้เนี่ยทําให้เป็นเท้าส ก, กะได้ไหมเออตายอย่างงี้ไปเกิดเป็นพรหมได้ไหมตายอย่างงี้เนี่สร้างบารมีเพื่อสาวกโพธิยานมีไหมโกรธแบบนี้สร้างปัจเจกกรโพธิยานให้มีไหมโกรธแบบนี้เนี่ยอกุศลอย่างนี้เนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหม มีไหมโทสะบารมีเนี่ยนะมีสักอย่างใช่ไหมมีแต่โทสะพาไปอา บ, บายก็ถามลักษณะนี้เอาการเรื่องกรรมนั่นเองมาสงเคราะห์ลงในโทสะอันนั้นอันนี้ก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งหรือเอาคนที่เราโกรธเนี่ยสงเคราะห์เรื่องกรรมลงไปเอาเรื่องกรรมมาคีดถึงเขาก็แล้วเนี่ยนะแล้วก็เอาเรื่องกรรมเนี่ยมาจับเออถ้าไอ้สิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยสมเรื่องที่เขาทําแล้วเราโกรธหรือไม่ชอบใจในเรื่องเนี้ ผลของกรรมมันเนี่ยมันจะไปเกิดที่ไหนจะให้ผลเป็นอย่างไรเราเอาเรื่องกรรมเนี่ยมาเพ่งนะเรียนเรื่องกรรมมาแล้วเนี่ยปฏิจจสมุปบาทไล่เลยสมุทยาวาระอวิชาปัตยาศังขาราสังขารปัตยาวิญญาณังเนี่ยนะไล่ไปเลยเออสังขารอย่างนี้เป็นอาปุญญาพิสังขารเมื่ออาปุญญาพิสังขารเกิดขึ้นวิญญาณก็เข้าถึงบาปเหมือนเข้าถึงบาปเขาก็ไปสู่โลกเ ก็ไล่ไปเอถ้าหากว่ากรรมอันนี้ให้ผลตกนรกเนี่ยนรกเนี่ยอเวจีเนี่ยมีอายุเท่าไหร่นะนั่งนึกถึงนรกสักพักหนึ่งก็ดีนะก็บอกว่ามีนะพระสูตรที่ภาลนาความเป็นอยู่ในนรกใครอยากฟังบ้างไม่ใช่ใครอยากอ่านบ้งางไม่ไม่อ่านให้ฟังแล้วหนึ่งนะไปดูได้ในเทวทูตสูตรก็พอมีในภาลบัณฑิตสูตรก็มีในอตตะทันดสูตรก็มี ในในชาดกมีสองแห่งแต่ชาดกที่พารนาละเอียดนิดนึงก็คือในเนมิราชชาดกมันะไปเยี่ยมดูนะมีหลายแห่งในมหานิเทศก็มีอัตตะทันละสูตรเนี่ย น, นะก็ในพูดถึงความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยนะใครเผื่อมีธุระอะไรแถวนั้นก็ดูได้ โอ้นะบางทีเนี่ยถ้าโทสะเกิดจริงๆนรกมันก็ไม่กลัวใช่ไหมเชื่อไหมว่มนนานรกนก็ไม่กลัวเอาอยัางแช่งใหครก็ตกนรกอีกอถ้ากลัวนรกจริงจริงจะไปแช่งให้เขาทํามาตกนรกทําอะไรเนอะถามว่าแช่งเขาตกนรกใครจะตกจิตที่แช่งนั่นแหละมันจะเป็นเหตุให้ตกนรกอ่ะมันแสดงว่าขนาดนั้นเนี่ยนรกก็ไม่ร้อนสาหรับเร า, ลาเลยนะถ้าโทสะมันเกิดเต็มที่เนี่ยนะไฟคือโทสะเนี่ยร้อนแรงกับไฟนรกอีกเหืออนนกัทีี้ต่ไป ถ้าหากว่าไม่หายโกรธอะทำไงนึกขนาดนี้ยังยังแข็งจริงๆได้ความโกรธอันนี้นะบอกว่าให้รละลึกถึงบุพเจริยาคุณของพระศาสดาถ้าใครศึกษาพุทธคุณมาแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสมัยที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาเนี่ยพงไปทำอะไรมาบ้างแต่ละชาติแต่ละชาติศีลวะชาดกขันติวาทีชาดกจุลธรรมะสมาทานฉัตตันตชาดกหรือว่าใน มหากปีชาดกกปีนี่แปลว่าอะไรนะแปลว่าลิงนะกปีนี่แปลว่าลิงไม่น่าลิงเลยไม่ชอบกระปีเลย <c oughs> นะแล้วก็ในภูริทะตะชาดกนะหรือว่าจํำปะยะชาดกสังคปาลชาดกเนี่ยนะก็ไปอ่านชาดกเหล่านั้นก็อาจจะระ ง, งับไฟคือโทสะของเราได้บ้างเนาะบุพเจริยาคุณของภาษาสดาอาจจะช่วยราดรดจิตที่เป็นโทสะเร่าร้อนของเราได้ในขณะนั้น ทีนี้ต่อไปไม่หายอีกทำไงอ่ะนึกขนาดนี้แนละ้วไม่หายเอามายังไงมีมีวิธีแก้อย่างอื่นอีกแก้ไงพิจารณาถึงความเกี่ยวข้องกันในสังสารวัตรนะเขาก็เคยเกิดเป็นแม่เรานะเขาเคยเกิดเป็นแม่เราเนี่ยถ้าเราอยู่ในท้องของเขาเนี่ยเขาก็เลี้ยงดูเราเนี่ยมันลูกในไส้ของเขาจเจริญเติบโตมาแล้วก็เลี้ยงดูปูเสือล้างอุจจาระล้างปัสสาวะให้เราทําทุกอย่างเพื่อเราเลย แล้วก็นึกถึงถ้าเขาเคยเกิดเป็นพ่อเราเขาก็ต้องประกอบอาชีพทำมาหากินเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูล้านก็เรานั่นแหละใช่ไหมความเกี่ยวข้องกันเคยเป็นพี่เคยเป็นน้องเคยช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์เนี่นะเคยเป็นญาติเคยช่วยเหลือกันเกี่ยวข้อง ก, กันในสังสารวัตรนะเราเกี่ยวข้องกันมายาวนานแล้วอาศัยเรื่องราวแค่นี้จะมาทะเลาะเบาะแวง้งมากโกรธมาถือโกรธถือเคืองกันไปทําไมอย่างเงี้ย ส้อนเอานะเอาความเกี่ยวข้องในสังสารวัตมาหรือบางทีโกรธมานี่สูตรเรานี่ลืมหมดเลยหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะเนาะพระธรรมเรานเนี่ยหูสาอ่านพระไตรปิฎกมาตั้งเยอะแยะฟังธรรมมาตั้งนอนโทรศัมันเกิดก็บอกมึดหมดเลยขนาดนั้นพระสูตรก็ น, นึกไม่ออกสักสูตร ท, ที่ว่าวมียาแก้แก้ความจําได้ใช่ไห ม, ไมไนะบอกมียาช่วยให้เกิดความจําดีมากวะงั้นซื้อมาเลย ทนี้ช่วยได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าคนไข้เนี่ยลืมกินยาด้วยหรือเปล่าแต่ลืมกินยายาดีขนาดไหนก็แก่ไม่ได้เ <c oughs> นี่ยเรียนธรรมะมาเยอะนะแต่ว่าลืมใช้ก็เหมือนกันนั่นแหละแล้วต่อไปก็พิจารณาอา น, นิสง์ของเมตตาใช่ไหมเมื่อกี้ก็กล่าวไปแล้วใช่ไหมตั้งแต่หลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้าย นมนุษย์รักษ์ษาไฟศาสตรายาพิษเป็นต้นไม่แร่วพานเทวดาก็ดูแลปกปักรักษาอันนี้สงต่ตังเยอะแยะนะถ้าเราสามารถที่จะเจริญเมตตาได้ซึ่งวิธีพิจารณาอย่างอื่นต่อไปก็คงจะเป็นวันวันวันหลังอีกอ่นนะเนาะวันนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วระครังไม่หมดยกพักทีอยนาธานี้อยู่ที่เดุติสิตนะอนาธานนนะ นางวิสาขาอยู่นิมานารดีนิมานารดี <c oughs> นุนะหมดแล้วพ้นอนาัฐาบินทิกาเศรษฐีกับนางวิสาขานั้นเป็นพระโสดาบันยังดับกิเลสไม่ได้เมื่อดับกิเลสไม่ได้ก็ยังไม่สามารถที่จะดับขันปรินิพานได้แล้วก็เป็นพระอริยบุคคลที่ประเภทยินดีในวัตตาเขาวัา้นง <c oughs> ประเภทวัตตาภิรติเข า, าง่าไคือยินดีในวัตตาเพราะฉะนั้นเนี่ย พระระยะเหล่านี้เนี่ยนะตายเกิดสวรรค์ชั้นสูงไปเรื่อยๆน่นไ ป, ปรินิพพานในกนิตตภพเนี่ยนะเอามาฟังทีแรกอ้ออย่างนี้เจ๋อยังไม่ต้องรีบนิพพานได้ไหนนักล็อกนะเรานี่มันคิดแบบคนมีกิเลสนะเออสาหรับพระยะบุคคลสองสององค์นี้นะมีผู้ยกตัวอย่างว่าโ อ, อ้ไม่จําเป็นต้องบวชล็อกเป็นฆราวาสเป็นฆลหันนี่ก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมลู้ได้ออืมผมยังเชื่อว่า ท่านคงได้สะสมบารมีมาแสนกลับทั้งนั้นมาแสนกลับแล้วก็ในอดีตคงจะเคยต้องเคยบวชเคยอะไรมาบ้างนางวิสาขาเนี่ยนะในศาสนาของพระผู้มีพระภาคกัสปะนางเป็นประพฤติโกมารีพัทอยู่สองหมื่นปีโกมารีพรหมจันทร์เนะนี่ยนะก็คือเป็นลูกของพระเจ้ากิงกิพ ร, ราชาพระเจ้ากิงกิเนี่ยพระเจ้ากิงกิเนี่ยมีลูกสาวหลายคน แต่ละคนเนี่ยไม่ไม่บวชทั้งนั้นเลยไม่ได้บวชแต่ก็ประพฤติโกมารีพัตเนี่ยนะสร้างวัดแล้วก็ฟังธรรมศึกษาพระธรรมอย่างเงี้ยตลอดชีวิตเลยสองหมื่นปีเนี่ยนะนางวิสาขาก็หนึ่งในจํานวนนั้นด้วยก็ก็ก็บวชนั่นแหละครับถ้าอย่างนั้นก็คือก็ไม่ไม่ต่างจากบวชอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะก็ซื้อถือโกมารีพัทก็เหมือนกับถือศีลแปดตลอดชีวิตนั่นนะนะเป็นเป็นลูกของพระเจ้ากิงกิศแล้วก็นางนี่ตั้งความปรารถนามาแสนกลับแล้วเนี่ย ส่วนคนอื่นๆแต่ก็อยา่าคือบางคนเนี่ยนะเราเราต้องเรียนแบบไม่ได้คือคิดดูว่านางวิสาขาเนี่ยเลี้ยงพระวันละห้าร้อยองค์งคอย่างเงี้คือคือบางคนคิดจะเรียนแบบตรงที่ไม่บวชเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยนะไอเรียนแบบสร้างบารมีอย่างอื่นไม่ค่อยมีเลยอย่างเงี้ยขยันอ่ะนะถ้าจะเรียนแบบใครก็เรียนแบบให้มันครบว ง, วงจรเ่ยเนาะไม่ใช่ไปเอาเฉพาะตอนเฉพาะตอนมาตัดต่อมาอย่างเดียวอย่างนั้น ก็ดีตรงไม่บวชเลยจะเอามั่งกันก็แสดงว่าบวชคืออะไรอุลุมปตุมังพันเตก็คือขอให้ท่านยกข้าพเจ้าขึ้นสู่กุศลด้วยเถอะการบวชก็คือการการเจริญกุศลนั่นเองนะการเข้าถึงกุศลการเจริญกุศลอันถ้าเราไม่ยินดีในการบวชก็แสดงว่าเราไม่ได้รู้สึกยินดีในกุศลอะไรเท่าไหร่เลยนะแสดงว่าถ้าเราไม่ยินดีในการบวชก็แสดงว่าเราไม่ได้รังเกียจกรามเลยใช่ไหม เพราะคนที่คนบวชส่วนหนึ่งนะโดยอัธยาศัยต้องเป็นคนที่เห็นโทษในในสังสารวัติพอสมควรนะจึงจะ บ, บวชได้ถ้าหากว่าเราบอกว่าบวชไม่ค่อยดีมากเหมงอนกนก็คือแ<อ>สดงว่าเราก็ยังยินดีในจิตที่เป็นอกุศลเราจะเห็นว่าในพระไตรป <c oughs> ิฎกนะเก้าสิบห้าอร์ซนที่พระองค์จะกล่าวถึง ข้อวัดปฏิบัติต่างๆหรือว่าแนะนําต่างๆกับพระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่จะเป็นพุทธพจน์ต่างๆก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับข้อกับพระภิกษุแทบทั้งนั้นเลยท่านเล่าว่าในพุทธพจน์ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ตัวว่าพิกเววังั้นเถอะอ่าอมัญตยามีโวพิกเวงั้นนะคือทุกคําที่มีคําว่าพิกเวอยู่ด้วยทําไมพระพุทธเจ้าจึงใช้คําว่าพิกเวอ่าที่กล่าวอย่างนั้นเนี่ย ด้วยเหตุผลหลายประการก็คือพระภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระเจ้าพระพุทธเจ้าที่สุดในยะหนึ่งในยะหนึน่งก็คือท่านเป็นประธานของบริษัททั้ง4ี่นะเป็นประธานของบุทรผู้บริษัททั้ง4เลยทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแม้กระทั่งเท พ, พ เ, เทวดาเป็นต้นและก็พระภิกษุนั้นท่านเป็นผู้ที่เป็นเพศเดียวกันกับพระพุทธเจ้า เป็นผู้ที่ประพฤติวัดปฏิบัติตามที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติทรงแสดงเพราะฉะนั้นเวลาพราะองค์แสดงธรรมเนี่ยพระองค์เรียกภิกษุอย่างเดียวก็เท่ากับเรียกบุคคลที่เหลือด้วยเนี่ยนะเพราะว่าตกเย็นๆเนี่ยก็จะมีพุทธบริษัทไปทั้งหมดแนละ้งนั้นพระองค์เวลาจะแสดงธรรมเนี่ยพระองค์จะปราบรบุคคลใดส่วนใดส่วนหนึ่งนะพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงเทศหรือไม่ได้แสดงธรรมแบบประเภทเหมารวมไปเฉยๆนะพระองค์ตรวจสอบหมดเลยเวลาจะแสดงธรรมเนี่ยนะ ตรวจเช็ะถ้าหากว่าการเรียกคนนี้แล้วแสดงทำแล้วคนนี้ได้ดีพองษ์จะเรียกคนนั้นน่ะทีก่ก็คนอื่นเนี่ยแทบไม่มีอยู่ในนั้นเลยเขาว่ากั้นก็บอกว่าคนที่ที่สังสมบูรณ์ไว้แต่ชาติต่างก่อนที่เป็นชาติสุดท้ายของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะปรากฏให้เห็นเด่นชัดเหมือนเขาหิ ม, มวันอย่างนั้นเะก็บอกว่าหรืออีกตอนหนึ่งที่บอกว่าพระพุทธเจ้านั้นพองษ์ทรงตรวจดูสัตว์เหมือนกับคนขึ้นอยู่บนยอดเขาศิลาทึบเนี่ยนะ ในคืนเดือนมืดมองรอบๆอณาบริเวณซึ่งเป็นเหมือนกับทุ่งนาทีนี้ถ้ากระถ่อมดวงไหนถ้ามีจุดไฟเอาไว้เนี่ยนะหรือมีมีแสงสว่างหรือมีบุญเก่าพระ อ, องค์ก็จะมองเห็นคนเหล่านั้นเวลาพระ อ, องค์จะแสดงธรรมก็เหมือนกันพวกตรวจสอบดูอุปนิสัยก่อนถ้าคนที่มีอุปนิสยัยหรือมีบารมีพอที่จะบรรลุธรรมได้พระ อ, องค์ก็จะแสดงธรรมพระ อ, องค์ก็จะตรวจสอบดูจริตก่อนนะดูทั้งเรื่องจริตดูทั้ง ว่าพระธรรมหมวดนั้นเนี่ยจะต้องอาศัยเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเขาจึงจะได้บรรลุธรรมหรือถ้าหากว่าเขาจะบรรลุธรรมเพราะาทําพุทธะเนรมิตเนี่ยนะเนรมิตพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งให้มาถามปัญหาแล้วพระองค์ตอบเข้าบรรลุพระองค์ก็ต้องทำํำ เ, เพื่อที่จะสงเคราะห์เขาถ้าเขาเป็นพุทธเวไนนะเป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าโปรดขึ้ น, นเหมั้นก่นแต่เนึกงๆไปก็เราเนอะอยู่ที่ไหนมานะ แล้วก็ท่านลงมากันนั้นเองว่านางวิสาขามีความสุขอน ะ, จะเจริญให้นางวิสาขาก็ได้ใช่ไหมนางวิสาขาเทพพธิดามีความสุขนะจะได้มีความทุกข์จะได้มีความเดือดร้อนแต่จริงนางไม่ได้เดือดร้อนหรอกเราเนี่ยเดือดร้อนอยู่คนเดีย <c> ว <ười> ลงมาอีกก็จเจริญให้อนาถาบิณฑิกาเศรษฐีมีความสุขหมอชีวโกโก ม, มาลาพัฒมีความสุขมีอายุยืนเนอะะเจริญลงมาอีกนะขอให้เท้าสั ก, กะมีความสุขมีอายุยืนนะ ขอให้ท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่เนี่ยมีความสุขมีอายุนะยืนโอยมนุษย์ชาวเชียงใหม่ชาวกรุงเทพนึกใครมีความสุขนึกยากยไหมไมันไม่นึกอ่ะสิ <c oughs> <c oughs> บางทีมันนึกไม่ได้นะเชื่อนั่งนึกยังไงกันนึกไม่ออกเก้าสิบเอ็ดเล่มอะไะ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 บางท่านบางบางเหตุการณ์มีแต่ก็ยังไม่ใช่ศัตรูถาววอนไม่เคยนึกเองเขาเสียหายอ่ะคือนึกแล้วเมตตาไม่เกิดอ่ะนึกแล้วคนน่เกิดนึกถึงใครแล้วเมตตาไม่เกิดเนี่ยคนนั้นก็ถือว่าเป็นไม่ใช่อา ร, รมณะปัจจัยของเมตตานึกเมื่อไหร่แล้วคเครียดตึงเิดตึงเ ง, งิดขึ้นมาเลยเนี่ยนะไม่ได้นึกดา่านึกแช่งหรอกแต่ว่ามันไม่สบายใจเลยหงดเห ง, ง, งิดอันนี้แสดงว่าเราขาดเมตตากับคนนั้น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 พระพุทธเจ้าพูดถึงความโกรธในลักษณะไหนบ้างเริ่มร่ายสูตรแล้วใช่ไหมเราก็สิทธิมีอาจารย์หนึ่งบ้างอะ่ะเอาไว้ พ, พราษาสดะเราสอนงง ว, ว่าไงว่าตามนั้นน่ะคนโกรธย่อมยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดอย่างเงี้ยคนโกรธย่อมไม่รู้อัดคนโกรธย่อมไม่เห็นทำเมื่อได้ความโกรธครอบงํามืดไปหมดเลยเนี่ยโอ้เรากําลังมืดน้องเงี้ยโทสะเกิดแล้วน้องเงี่ยตกนรกแน่นๆเนาะงันครั้งนี้เนี่ยนะโทสะนี่แหละมันก็เจริญอ่า พสูตรก่อนแล้วลึกถึงพสูตรเสร็จแล้วก็เจริญเมตตาใหม่เอ๊ะมันก็ยังไม่หายอีกนั่นแหละทาไงอ่ะก็บอกว่าให้หารละลึกถึงความดีของเขาอ่ะในคนนั้นน่าจะมีดีสักอย่างอยู่ในตัวเขาอ่ะใช่ัหมไม่ดีทางกายก็ดีทางวาจาไม่ดีทางวาจา ก, ก็ดีทางใจน่าจะมีส่วนดีบ้างนะอา้าวถ้าไม่มีดีสักอย่างเลยอ่ะเจริญการุณาแทนเธอโอ้ยเขาก็ยังเป็นมนุษย์เฉพาะเดินเหินนี่แหละ ถ้าหากว่าเกิดพบใหม่จะเป็นยังไงเนาะว่าไงถ้าเขาตายเนี่ยถ้าเขาบาปขนาดเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนนะกรุณามันเกิดก็ไม่โกรธละพัดลมนี่มันแรงหวัดจะเคลิ้มแล้วให้ให้เป่าไปทางโน้อนอย่างเดียวนะ่วงนี้มหาภูต ร, รูปมันกำเริบเรื่อย ผธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเลี้ยงดูอย่างดีอยังขนาดนั้นเลยนะบอกแล้วคบมหาภูติรูปพระพุทธเจ้าว่าไม่ดีไม่ ด, มดีก็ไม่ค่อยเชื่อนะนะอทีนี้ต่อไปนะถ้าหากว่าเอานึกถึงความดีของเขาก็แล้วก็ยังไม่หายโกรธสะอุศสะสะสมมาตั้งนานเลยนะจะละกันได้ยังไงง่ายๆเล ย, ยโทสะนะ มาอุตส่าห์สะสมฝึกฝนมาตั้งนานทําไมเด็กๆ เ, เกิดมาก็ร้องมาเลยอย่างเงี้ยนะฝึกมาตั้งนานแนละ้วโกรธเนี่ยจะมาเจริญง่ายๆเลยอย่างเงี้ยนึกนึกถึงความดีแค่นี้ไม่พอแล้วยังโกรธขึ้นอีกแก้อย่างไงกันนี้ก็พิจนารณาอุบายสิบอย่างเนี่ยนะก็คือรู้จักสอนตนอะไอยถ้าเป็นพระเป็นเนนก็เราเราเนี่ยบวชละพ่อละแม่ละญาติ นองน้ำตากันมาแต่ก็บวชมาพเนาพนอเจ้าโทสะอยู่อย่างเดียวนะอย่างอื่นเนี่ยละได้หมดเลอแต่โทสะล้วนๆอะไรเงี น, นี่ก็เป็นต้นเนี่ยนะก็พิจารณาหาพระธรรมแบบนี้มามาตรึกนะสอนตัวเองนั่นเองนะหาอุบายวิธีการต่างๆมาสอนตัวทีนี้ต่อไปก็สอนเอาเรื่องกรรมมาจับเอ้ยโกรธอย่างนี้เนี่ยทําให้ตาแล้ไปสุคติได้ไหมถาม โกรธอย่างนี้เนี่ยชาติหน้าจะเป็นกษัตริย์เพราะความโกรธไม่เป็นเศรษฐีครหบดีโกรธอย่างนี้เนี่ยทาให้เป็นท้าส ก, ก่าได้ไหมเออตายอย่างนี้ไปเกิดเป็นพรหมได้ไหมตายอย่างนี้เนี่ยสร้างบารมีเพื่อสาวะกะโพธิยานมีไหมโกรธแบบนี้สร้างปัจเจกโพธิยานให้มีไหมโกรธแบบนี้เนี่ยอกุศลอย่างนี้เนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมมีไหมโทสะบารมีเนี่ยนะไม่มีทักอย่างใช่ไหม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 นรกเนี่เวจีเนี่ยมีอายุเท่าไหร่นะนั่งนึกถึงนรกสักพักหนึ่งก็ดีนะก็บอกว่ามีนะพระสูตรที่ภรณนาความเป็นอยู่ในนรกใครอยากฟังบ้างไม่ใช่ใครอยากอ่านบ้างไม่ไม่อ่านไม่ฟังแล้วหนึ่งนะไปดูได้ในเทวทูต ส, สูตรก็พอมีในภาล บ, บัณฑิตสูตรก็มีในอัตตะทันดดสูตรก็มีในในชาดกมีสองแห่ง แต่ชาดกที่พารนาละเอียดนิดนึงก็คือในเนมิราชชาด ก, ก น, นะนะไปเยี่ยมๆดูนะมีหลายแห่งในมหานิเทศก็มีอัตตะทันระสูตรเนี่ยนะก็ในพูดถึงความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยนะใครเผื่อมีธุระอะไรแถวนั้นก็ดูได้โ <c> อ <oughs> <c oughs> ้นะบางทีเนี่ยถ้าโทสะเกิดจริงๆนรกมันก็ไม่กลัวใช่ไหม เชื่อไหมว่า น, นรกก็ไม่กลัวเอาอย่างแช่งไง้เขาตกนรกอีกอะถ้ากลัวนรกจริงๆจะไปแช่งให้เขาทํามาตกนรกทําอะไรเนอะถามว่าแช่งเขาตกนรกใครจะตกจิตที่แช่งนั่นแหละมันจะเป็นเหตุให้ตกนรกอ่ะมันแสดงว่าขนานั้นเนี่ยนรกก็ไม่ร้อนสาหรับเราแล้วนะถ้าโทสะมันเกิดเต็มที่เนี่ยนะไฟคือโทสะเนี่ยร้อนแรงกว่าไฟนรกซะอีกเหมือนกันทีนี้ต่อไปถ้าหากว่าไม่หายโกรธอะทาไง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 แปลว่าลิงนะกะปินี่แปลว่าลิงไม่น่าลิงเลยไม่ชอบกะปิเลย <c oughs> นะแล้วก็นายภูริทัตะชาดกนะหรือว่าจํำปะยะชาดกสังคปาละชาดกเนี่ยนะก็ไปอ่านชาดกเหล่านั้นก็อาจจะระ ง, งับไฟคือโทสะของเราได้บ้างเนาะ <c oughs> บุพเจริยาคุณของภาษาสดาอาจจะช่วยราดรสจิตที่เป็นโทสะเร่าร้อนของเราได้ในขณะนั้น ทีนี้ต่อไปไม่หายอีกทำไงอ่ะนึกขนาดนี้แล้วไม่หายเพราะอะบางเ้ยมีมีวิธีแก้อย่างอื่นอีกแก้งไงพิจารณาถึงความเกี่ยวข้องกันในสังสารวัตนะเขาก็เคยเกิดเป็นแม่เรานะเขาเคยเกิดเป็นแม่เราเนี่ยถ้าเราอยู่ในท้องของเขาเนี่ยเขาก็เลี้ยงดูเราเนี่ยเหมือนลูกในไส้ของเขาเจริญเติบโตมาแล้วก็เลี้ยงดูปูเสือล่างอุจระล่างปัสาวะให้เราทําทุกอย่างเพื่อเราเลย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 ทีนี้ช่วยได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าคนไข้เนี่ยลืมกินยาด้วยหรือเปล่าถ้าลืมกินยายาดีขนาดไหนก็แก่ไม่ได้เ <c oughs> นี่ยเรียนธรรมะมาเยอะนะแต่ว่าลืมใช้ก็เหมือนกันนั่นแหละแล้วต่อไปก็พิจารณาอา น, าอ น, นิสงค์ของเมตตาใช่ไหมเมื่อกี้ก็กล่าวไปแล้วใช่ไหมตั้งกานะหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้าย นมนุรักษ์่าไฟสาตรายาพิษเป็นต้นไม่แพ้วพานเทวดาก็ดูแลปกปักรักษาอันนี้สงส์ตังเยอะแยะนะถ้าเราสามารถที่จะเจริญเมตตาได้ซึ่งวิธีพิจารณาอย่างอื่นต่อไปก็คงจะเป็นวันวันวันรงอีกอะนะ่ะเนาะวันนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วละคังไม่หมดยกพักทียอนาฐานี้อยู่ที่ดุดสิตนะอนาธานี่นะ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 ผารยะเหล่านี้เนี่ยนะตายเกิดสวรรค์ชั้นสูงไปเรื่อยๆนุ่นไปปรินิพานในอนิอาาตขะภพเนี่ยนะเอามาฟังทีแรกอือย่างไงเจ๋งจยังไม่ต้องรีบนิพานได้หลายนักล็อกนะเรานี่มันคิดแบบคนมีกิเลส น, นะ